หน้าที่ของนักปฏิบัติธรรมก็คือตื่นมาแล้วก็ต้องอาศัยการประรุปความเพียรเพื่อชำระล้างจิตใจ คืจิตใจของเราเนี่ยมันถูกความรู้สึกไหยกุศลนะกุศล ย, ย, ยอมที่จนเสียสภาพเดิมมันเราไม่รู้เป็นสีอะไรก็เลยต้องมีการชำระล้างให้มันสะอาด นายอมจิตของเราสีมันอาจจะเป็นความโกรธความโลภความหลงกิเลสทันหาราคะเราสังเกตได้่าเวลาเราตื่นขึ้นมาเนี่ยสีพวกนี้มันก็ผุดออกมาละมองไปจะไหนาเห็นแต่จิตที่มีแต่เรื่องที่ต้องคิดที่ต้องทำ จิตเดิมใจเดิมแท้ๆ ท, ที่เรามีเขาหาแท้ไม่เห็นเน่ยพราะปกติจิตมนุษย์ถ้ามีอะไรมาห่อหุ้มเดิมๆมันจริงๆมันก็คือปกติคือเฉยๆว่างๆเหมือนเรานั่งอยู่เนี่ยเปลี่ยนแต่ว่าเราทำถาวนไม่ได้เราก็เต้นไปตามจังหวะของกิเลสที่มันเกิด น, นั้นวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยวินาทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเราเกิดไม่รู้กี่ครั้งโยมนั่งสร้างจังหวะดีๆอย่านั่งหลับตาลืมตากว้างๆสู้กับความอยากอยากหลับสู้กับความไม่อยากทำมาเนี่ยฝืนเราไม่อยากทำแล้วเราทำเนี่ยมันได ความเพียรสองชั้นคือตื่นมาแล้วไม่อยากให้นั่งสบายๆเพราะเราไม่ได้มาหาความสบายอันนี้เรากำลังล้างสิ่งที่เราไม่ชอบออกจากใจเราต้องเห็นมันเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรไม่มันมีในนียถึงแม้เรานั่งเฉยๆอยู่ความชอบไม่ชอบยังไม่เกิดขึ้น แต่แล้วก็ไว้ใจไม่ได้เวลาฆ่าโทสะมัมหาในจิตเรายังเยอะแยะดังนั้นเราอาศัยการนริกรู้เพื่ออะไรเพื่ อ, อย่างลงสูกรดอาสวะที่หมักหมมอยู่ในจิตยังเยอะแยะเลยคนชอบนั่งสมาธิคือคนโทสะจริตเยอะความโกรธจะเยอะคนประเภทนี้แตะไม่ค่อยได้วูบวาบขึ้นมาดดี นั้นเวลาให้สร้างจังวะให้เดินจะกลมทำความเพียรแบบลืมตาเนี่ยพวกนี้จะไม่ค่อยอยากทำเพราะโทสะมันสูงงุนหิดง่ายอารมณ์เสียไวเลยไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นแล้วหลบไปอยู่ในการหลับเราไปสังเกตดูจิตเราก็ได้ และเป็นคนค่อนข้างนิสัยสอนยากบอกยากไม่เชื่อใครและชอบเถียงพวกแบบนี้จริงๆมันทำท่าสงบไปงั้นแหละลึกลึกมันคือยากนะท่นคนไหนก็ตามไม่ใฝ่ใจไม่ศึกษาไม่เอาจริงเอาจังนะยากที่จะเห็นนิสัยสันดานเดิมยิงตัวเองอยู่ลึกลึกเลยมันเจาะลงไม่ได้ การปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเน้นเพื่อให้มันเกิดปัญญาเนี่ยเราไม่ได้มาหาความสงบไม่ได้หาความสบายเน้นเกิดปัญญาในการชำระล้างใจบางทีบางคนไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าใจตัวเองเป็นยังไงก็เลยไม่อยากล้างอยากเฉยเฉยเนี่ยะท่านไปปฏิบัติก็เสพความเฉยเฉยไปแต่ละวันอย่างที่คนทั้งหลายญาติโยมเราไปรักษาศีลเจริญภาวนาอยู่รมวัดทมว่า ไปนอนวัดเฉยๆไม่ได้คิดอะไรนะแต่ตื่นมากลับมาบ้านก็เหมือนเดิมเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นแผลตรงไหนสกปรกอะไรยังไงใจมันหมักหมเท่าไหนเขาไม่ค้นคว้าเขาไปหาปฏิบัติธรรมนี่คือการเดินเข้าสู่ภายในไม่ใช่เดินออกข้างนอกเดินเข้าสู่ภายในหาใจตัวเองที่มันมีความทุกข์ที่มันสะสมมาไว้เนี่ย ที่หลายคนบอกนะว่าไม่ได้เป็นทุกข์เพราะเขาไม่มีปัญญาที่จะเห็นว่าตัวเองมีทุกข์ตรงไหนคือคนตาบอดเนี่ยถามว่าโลกนี่นเป็นยังไงสวยงามเป็นอย่างไหนเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าโลกสวยงามยังไงหมูหมากาไก่รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้แต่งโมลูกนี้เป็นยังไงมันมองไม่เห็นแล้วมันก็จะตอบไปตามภาษาที่มันไม่เห็นคือมันไม่มีอ่ คำไปเหมือนอะไรมันก็ตอบไปแบบนั้นเหมือนกันคนไม่เห็นความทุกข์ในตัวเองเนี่ยมันจะตอบว่ามันมีทุกข์มันไม่รู้นั้นปฏิบัติธรรมนี้คือเรามาสร้างดวงตาให้เกิดขึ้นอันนี้ดวงตาแห่งปัญญาหรือธรรมะจากสุปัญญาจากสุนเนี่ยให้เกิดขึ้นแล้วเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงเราไม่หลงอยู่กับความสุขเล็กๆนน้อย ในวิธนาที่ปรากฏเกิดขึ้นเพราะวทนาก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไปอยู่กับความไม่เที่ยงเมื่อไหร่เป็นทุกข์มานั้นความทุกข์มีที่ไหน <c oughs> ความสลายดับหายไปก็มีอยู่ตัวนั้นคือมันไม่จริงนะ่ะมันเสื่อมสลายอยู่ตลอดเวลามันเป็นสภาพธรรมที่เราบังคับมันไม่ได้มันเป็นเช่นนั้นตลอดเวลาดังนั้นสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับาธาตุกับขันที่เราเรียกว่าชีวิตของเราเอง แต่เมื่อไหร่เราจะเห็นมันตามความเป็นจริงและถอนความพอใจและความไม่พอใจออกจากธาตุจากขันนี้ได้ลหลายคนยินดีพอใจกับร่างกายนี้ที่ได้เกิดมายินดีกับสมมุตที่ได้รับจากโลกที่เขาให้มาเนี่ย แต่ธรรมชาติอันนี้ก็เสื่อมสลายตลอดเวลาไหลไปสู่ความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะมันไม่ได้มีตัวตนที่เราจะต้องบังคับมันได้แต่จิตเราก็ผูกพันยึดติดว่ามันเป็นของเราความสุขความสบายทั้งหลายเนี่ยเราคิดว่าเป็นของเราหมดนะแต่เราไม่อยากออกแล้วก็เพลินอยู่กับสิ่งเหล่านี้ เหมือนกับคนที่นั่งเรือรั่วเรือที่มันผุพังไปในกลางทะเลเรือมีอายุนะและในที่สุดไม่จะเรือดีแต่เวลาคลื่นพายุที่ใหญ่ๆกระแทกกระทันเข้ามาเนี่ยมันรับไม่ได้ไม่จะ่เรือที่อยู่ใต้น้ำเรือดำน้ำเนี่ย ปรากฏว่ายังต้องชนปะการังหินโโครกอะไรมากมายหลากหลายนะีด้นชีวิตเนี่ยอยู่ท่ามกลางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์สุขเวทนาปรากฏเกิดขึ้นเราดูมันมันเกิดขึ้นยังไงตั้งอยู่ยังไง สลายหายไปยังไงต้องละเอียดนะถ้าเราอยากดับทุกเนี่ยเราต้องละเอียดมันจึงจะเห็นเห็นทุกที่หยาบหยาบอยู่ข้างนอกอยังตื่นมาในความโกรธมีไหมไม่มีอ่ะมัมีแต่ความง่วงความสลึมสลือและความสบายนิดหน่อยแต่ความสบายประเภทนี้ไว้ใจไม่ได้เรานั่งสมาธินิดหน่อยไหลไปสู่ความง่วงละความหลับละ ภาชานาตินะปฏิบัติทำสติเนี่ยต้องชัดรู้สึกตัวเนี่ยต้องรู้สึกชัดๆไม่ใช่รู้สึกแบบคลุมเครือเอาใครพูดอะไรก็ได้ยินอยู่บ้างอะไรบ้างไม่ใช่แบบนี้เขาให้รู้สึกชัดตัวทั้งว่าเห็นความคิดมันไหลไปไหลมาอยู่ข้างในมันคิดก็รู้มันไม่คิดก็รู้มันปรุงแต่งก็รู้ไม่ปรุงแต่งก็รู้งุนหิดก็รู้ว่างก็รู้ไม่ว่างก็รู้หลุดพ้นก็รู้ไม่หลุดพ้นก็รู้ ยังมีโมหะอยู่ยังหลงเข้าไปในอารมณ์อยู่ก็รู้ไม่หลงก็รู้ความรู้เนี่ยต้องละเอียดลงพนจ า, านนั้นะกากายานุปัสสนาเลืลึกรู้กายว่านั่งอยู่เฉยๆเนี่ยรวมไปถึงจิตตานุปัสสนาเลืลึกรู้เห็นจิตในจิตจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะราคะพอรู้โทสะก็พอรู้แต่จิตมีโมหะเนี่ยไม่รู้ มันมีโมหะคือจิตมีความหลงเนี่ยมันไม่รู้ทำไมมันยึงรู้ว่าหลงมันไม่รู้ถ้ามันจมอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วมันไม่รู้ดังนั้นเราจึงออกมาและมองกลับเข้าไปเหมือนคนนั่งดูกันเนี่ยโอ้คนนี้เป็นอย่างนี้นะมองดูดูว่าคนนี้เป็นยังไงนองดูว่าคนนี้เป็นยังไง แต่เรามองดูเขาเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้ชังเขารู้เฉยเฉยเหมือนคนนี้ไม่ใช่ญาติเราอะไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องแต่เป็นธรรมชาติอันหนึ่ง ที่กำลังจะแก่กำลังจะเจ็บจะตายสลายหายไปอาตมาไม่ใช่ทุระอะไรนะที่ต้องมาสอนโยมเนี่ยและจำจี้จำชัยเนี่ยชีวิตโยมกับอาตมาคนอันกันนะแต่ก็ต้องเอาใจใส่เพราะอะไรเพราะว่ารู้ว่ามันติดอยู่ในโมหะ มันหลงเราก็ชี้ทางออกให้เออทําอย่างนี้นะจะออกได้ทํางั้นนะจะออกได้อาตมาเองก็มีทุเละมากมายหลากหลายนะที่ต้องไปนูน่นไปนี่ไปบอกไป <c oughs> ชี้แจงแสดงธรรมกับคนที่เขามีความเพียรมากกว่าพวกเราในที่นี่ที่ขยันมากกว่าที่นี่แล้วบอกง่ายกว่าพวกเรามากกว่าที่นี่ เรการบอกการสอนการแนะนำเนี่ย <c oughs> <c oughs> เวลาเรามีน้อยเราอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ได้มากมายอะไรอะไรที่โยมจะพึงได้พึงถึงในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นั้นรีบทำอัตมาก็บอกแบบไม่ปิดโยมก็ตั้งใจปฏิบัตินะแบบไม่ได้ห่วงสังขารไม่ได้ห่วงความคิดไม่ได้ห่วงอารมณ์ไม่ได้ห่วงอะไร เจ็ดวันโยมก็ทุ่มเต็มที่วิธีไหนที่มันจะง่ายเปิดแบบไหนใจเนี่ยไขยแบบไหนเราก็บอกแนะนำกันยิ่งโยมสามารถเข้าถึงทาได้ไวๆภายในวันสองวันอามาก็จบภารกิจที่ไม่ต้องมาทรมานตัวเองในการเอาใจใส่ญาติโยมในที่นี้นั้นเวลาบอกสอนอะไรเนี่ยไม่ได้หมายว่าจะทรมานหรืออะไรแนะนำไม่ทำเนี่ยคืออยากให้ไปไวๆ ให้เห็นเร็วๆให้เข้าถึงทําปไวแล้วจบไปยิ่งพวกโง่ๆยิ่งอยากไปไวมาไวเนี่ยมันยิ่งขี้เกียจนะก็เลยบอกเออทเอาเมาเถอะไว้ไๆอะไรมันจะดีอ่ะมันจะเกิดปัญญารีบทําเอาเสร็จแล้วโยมก็ไปทําหน้าที่ของโยมไปเป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่ อ, เ ป, พอเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นคน ทำหน้าที่ให้กับชาติศาสนาได้อย่างถูกต้องไงไม่มีทุกข์อยู่ในใจแทนที่เราจะปฏิบัติเจ็ดวันสิบวันไปเรื่อยๆเืยๆาละอันนั้นก็ลดลงไปแต่ถ้าเราบอกกันสอนกันแนะนำกันมันก็ไม่อยากทำเนี่ยยา ก, กนะเนี่ยปฏิบัติทำในสอนธรรมะมันมันไม่ได้ยาก ตรงไหนเ่ยมันยากกับคนที่มีทิฏฐิมานะสอนยากบอกยากแนะนํายากมันไม่อยากเอาใจใส่เพราะอะไรเพราะมันมันติดเวทนาตัวเองที่มันมีอยู่ติดในสุขติดในความสบายติดในความไม่สุขไม่สบายแม้แต่การติดอยู่ในสมาธิที่เรียกว่าอเนจยาชาพิสังขารสังขารคือสมาธิ คือชาญคืออะไรพวกนี้ยังเป็นปัญหาไม่สามารถที่เกิดการหลุดล้นพ้นได้มันยึดติดมันออกไม่ได้เยาวาแต่นั่งหลับเล่นๆเลยไม่แต่ทานก็เป็นอุปสรรคต่อการเกิดวิปัสสนาญาณ น, นั้นการระลึกรู้ทำให้มันต่อเนื่องให้มันตื่นตัว อยู่บ่อยๆเรื่อยๆโดยการบอกการสอนของพระของกาลยานมิตรเขาเรียกว่าความการุณาการุณาที่สอนการุณาที่บอกเพราะไม่ใช่ทุละแล้วก็ไม่ได้มาทุกข์กับเราเราปฏิบัติก็ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ยากพี่น้องไม่ได้ใช่อะไรแต่ทำไมต้องเอาใจใส่เป็นความการุณา นั้พระพุทธเจ้าเนี่นยมหากรุณาที่คุณท่านพ้นทุกข์แล้วแต่ท่านเขาเอาใจใสนะ่เดินไปสอนคนท่านนี้จนแทบตายนะต้องพยุงต้องอะไรอยังจังแต่ท่านก็ทำเพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมชาตินะธรรมชาติที่เห็นคนที่จมอยู่ในสังสารวัฏแต่เขาไม่รู้นะแต่ก็บอกต้องกล่าวต้องพาฝึกฝน ดิ้นดนให้เห็นทุกในภัยของสังสารวัฏแล้ววิ่งออกไปให้ไกลจนกระทั่งว่าเป็นผู้พ้นทุกข์หรือผู้หลุดพ้นจริงธรรมชาติอันนี้มันมีอยู่ในคนทุกคนแล้วคือพระพุทธเจ้านี่จะเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามธรรมะอันนี้ก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มี แลพุทธิจะเป็นเพียงบุคคลผู้เข้าไปรับรู้เรื่องอันนี้เวลาท่านเฝ้าดูจิตท่านนท่านก็เห็นเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วมันออกจากทุกได้ทุกมันหายไปมันดับได้มันไม่เกิดทุกอีกท่านเลยมาบอกคนว่าเออทำอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะนคนไหนที่สมาทานถือวัดปฏิบัติตามท่าน กิจวัตที่ท่านมีท่านสอนเ ข, เขาเรียกว่าสิทธาคตบุคคลได้เห็นทมดูทมเห็นนํำเขาถึงทมเขาเรียกว่าบุตรตาคตนั้นสี่คู่แดบุรุษปุริสธรรมมัฏสารถีสัตยาตถิทางจตาริปุริสายุ ค, คานิอัตถปุริสปุคลา เอสกสวกวาโตสะวะกัซังโคสี่คู่แบปดปุรุษเนี่ยผู้ที่เข้าถึงทมนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราเป็นระดับไหนพ้นทุกไหมเข้าถึงความพ้นทุกไหมออกจากทุกได้ไหมหรือเรายังไม่รู้จักแม้กระทั่งคำว่าทุกชีวิตอนเนี่ย ทุกโขตินนาทุกขาเปรเทาทุกที่เกิดจากความคิดเนี่ยเกิดจากภพจากชาติที่เรามีบันที่เรานั่งอยู่นี่ไม่ได้คิดนะมันเฉยเฉยแต่ว่าจิตเราก็ฝังอยู่ในอดีตฝังอยู่อนาคตมันอยู่ในภพในภูมิเราไปทำอะไรไว้เป็นภูมิของจิต ที่จะต้องเวียนไหวเข้าไปอยู่ในนั้นเราเกี่ยวข้องกับใครกับวัตถุสิ่งไหนอะไรยังไงเมื่ อ, อไหร่เราปฏิบัติธรรมเวลาเราจะทําให้จิตมันสงบมันไม่สงบหรอกมันก็วิ่งเข้าไปในสาภาวะอันนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะมาทําลายภพภูมิเ <c oughs> พระผู้ตุทโท่านตัดว่าภพภูมิเนี่ยแม้ว่าจะเล็กน้อยความคิดเนี่ยที่ติดอารมณ์เนี่ยแม้ว่าจะเล็กน้อย แต่ก็น่าขยะขยแขงสเสรษน้ำลายปัสสาวะอุจจาระหมูดขูดพวกนี้แม้จะเล็กน้อยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจทันที่จิตมันยึดติดอยู่ในความคิดความปรุงแต่งติดอยู่ในอารมณ์ดีอารมณ์ชั่ว ติดอยู่ในสมมติทั้งหลายทั้งปวงถ้าเรียกว่าพบภูมิมนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจแต่คนทั้งหลายทั้งปวงไม่มันจมซะมันจนเคยชินมันไม่ได้อยากออกเวลาเราบอกให้ออกมันจึงไม่อยากออกไงเหมือนนอนอยู่ในขี้มันไม่อยากออกคนก็เหมือนกันติดอยู่ในความสุขความทุกข์ติดอยู่ใน เวทนาทั้งหลายทั้งปวงนี่มันไม่รู้มันไม่เห็นว่ามันเป็นยังไงเราจึงมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้จักว่าทุกนะเนี่ยกายนี่ถามว่าเป็นทุกไม่เป็นทุกเนี่ยนั่งนานๆก็ไม่ได้ต้องยืนยืนนานๆก็ไม่ได้ต้องนอนนอนนานๆก็ไม่ได้ต้องกินกินนานๆก็ไม่ได้ไม่ต้องทายชีวิตมันเป็นอยู่ไงการเคลื่อนไหวแต่อริยบทแต่และอย่างแต่และสิ่งนธารที่ขับเคลื่อนอยู่ปัจจุบันเนี่ย ตั้งใจดีๆโยมลืมตากว้างๆคนมาปฏิบัติธรรมในส่วนมากเป็นผู้สนใจอะใส่ใจธรรมะนะขนาะเราใส่ใจนะเนี่ยเวลาเรามาปฏิบัติธรรมยังทุกข์ขนาดเนียยังโง่ขนาดนี้ยังไม่ฉลาด น, นะ น้ำภาษาอะไรกับคนที่ไม่ใส่ใจยิ่งเย็นหนักถ้าอยากออกจากทุกข์จริงๆเนี่ยนี่แหละคือวิธีรัดที่สุดมันง่วงตรงเข้าไปฟาดฟันมาเลยมันเบื่อมันนายสู้กับมันเลยเนี่ยนี่รัดมากเลยเนี่ยอริยธรรมแต่รัดมากทางลัดเนี่ยมันต้องเป็นคนจริงมันจึงเดินทางรัดได้แต่ถ้าคนไม่จริงก็คือต้องไปทําบุญดําทานที่โน่นที่นี่อ้อมคอมเลี้ยงใจตัวเองไม่ให้โกรธไม่ให้งุ่ยไปแต่ละวันแต่ละวันไปอย่างนั้นะ แสิ่งเหล่านั้นก็คือของไม่เที่ยงทั้งหมดนะแต่นี้ไม่ได้ทําอะไรเลยสู้กับมันเลยเรารู้ว่ากิเลสมีอะไรคือความคิดความปลุงแต่งความเบื่อความไหนความม่วงก็สู้กับมันเลยอันนี้ดับมันเข้าไปเลยดับเครื่องเลยชนเข้าไปเลยแต่คนส่วนมามันจะหาคนจริงแบบนี้ได้น้อยนะขนาดเราที่ถือว่าคัดเลือกแล้วเนี่ยยังยากลําบากเลย นั้นธรรมะอันนี้จะเอาออกจากใจคนนะไม่ใช่ว่าเอาธรรมะสู่ใจนะจริงใจเรามันมีอยู่แล้วธรรมะเนี่ยความไม่ทุกข์มันก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอย่างชีวิตเราเราเอาความสุขกรปกออกเนี่ยเสื้อผ้าเรามันก็สะอาดอยู่แล้วเดิมทีมันสะอาดอยู่แล้วห้องส้วมห้องน้ําพรารักษาความสะอาดด้วยช่วยกันความสะอาดเขาสร้างที่แรกมันมีอยู่แล้วแต่เราไปทํามันสกปกระปกเฉยๆจิตของเราเองก็เหมือนกันเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ย มันสะอาดอยู่แล้วเพียงแต่เรามาเอาความห่วงออกเอาความคิดความภาพลวงแต่งเอาเกิเลสเอาอาสวะที่มันหอ่อหุ้มดิสัยเส้น ด, ดันเดิมๆนี้เอาออกเท่านั้นเองเรามาเอาสิ่งนั้นออกพอออกความสว่างความสะอาดสงบมันก็มีของมันเองอ่ะแต่เดี๋ยวนี้เราติดเราไม่อยากให้มันออกเดี๋ยวเนี่ยแต่เราไม่เห็นว่ากูเป็นอะไรคนที่ไม่รู้จักโลกแล้วจะเอาโลกออกเป็นแล้วจะรักษาตัวเองได้หรือไม่ได้นะ นั่นเราต้องรู้รู้ว่าเราเป็นอะไรตอนนี้ต้องสังเกตนั่นก่อนที่เราจะรู้ว่าเราเป็นอะไรต้องมีสติมาเฝ้าดูว่ากูเป็นอะไรตอนนี้นะง่วงไหมเงาไหมเบื่อไหมขี้เกียจไหมงดจิตไหมติดสงบไหมงุนง่านไหมฟุ้งซ่านไหมมันเป็นยังไงต้องดูมันดูแล้วก็ออกให้เหลือแต่ใจล้วน ถ้าบอกไม่ได้รู้เฉยๆทุกอย่างเนี่ยจิตมันไปปรุงแต่งเฉยๆอย่างงุนหิดมันวับคุณมาเพราะเรามีอาสาวะอยู่ข้างในพรอนวับเข้ามาเราคิดเพิ่มมันก็เลยยาวมันง่วงมันมี น, น้อยเราไม่เห็นมันนะเราก็ไหลเข้าไปในอาการที่มันมีอย่างเยื่อใยอยู่ข้างในแล้วก็ไหลไปแล้วก็หลับเพิ่มย ฟุ้งซ่านคิดหน่อยๆเราก็คิดเพิ่มคือส่วนมาทุกมากทุกอย่างเนี่ยเกิดจากการปรุงแต่งทั้งนั้นแหละเราไปปรุงมันแต่งมันเวลามีสมาธิก็ประดิษฐสมาธิใสจิบปรุงแต่งให้เป็นสมาธิเพิ่มเข้าไปอีกก็กลายเป็นอเนจยาวิสังขารควรเรามีสามันคิดคิดดีคิดชั่วอันหนึ่งไม่คิดดีคิดชั่วแต่ติดสงบแต่วิปัสสนาเนี่ยมัน เขาไม่ได้ให้มันคิดดีอัเ น, นี้ไมไ่ให้มันคิดชั่วแต่รู้เฉยเฉยไม่แต่สงบเขาก็ให้เกิดปัญญายานก่อนเกิดปัญญาละชำระล้างแล้วมันค่อยสงบไม่ใช่อยู่ๆแล้วสงบเลยนะสงบแบบสมถะสงบสงบแบบเอาสมาธิสงบแบบความง่วงมาทับไว้เนี่ยเหมือนศิลาทับหญ้าเดี๋ยวมันก็เกิดอีกเหตุเราเปิดหญ้าคือเวลาลืมตาเขาทุกข์อีกนะ ดรเวลาใครมาเปิดจิตเปิดใจเราตอนเราสงบไม่มีใครมาพูดมาอะไรเฉยแต่เวลาคนเอาอะไรเอาไม้เอาอารมณ์มาคัดมาง้างก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาอีกทุกอีกเพราะอะไรเพราะเราไม่เปิดเอาสิ่งที่ดีรับเป็นแผลที่มันเป็นอยู่ข้างในน ะ, นะไม่รักษาเราไม่ยอมรักษามันก็ไม่หายดังนั้นทุกขเวทนาทั้งหลายตเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ย ว่าจะเป็นเวทนาแบบไหนเราต้องเฝ้าดูให้สังเกตเห็นเวทนานี้ไม่ได้หมายถึงทุกกายนะร่างกายในบางทีพระพุทธองค์ท่านไม่ได้พูดถึงด้วยซ้ำไปท่านพูดถึงสุขเวทนาทุกเวทนาอทุขขงวะสุขสุขของจิตที่มันประกอบไปด้วยอามม t h คือมีเหยื่อล่อรูปรสกลิ่นเสียงกระทบแล้วมันเกิดพอใจ พอใจนั่นแหละเขาเรียกว่าสุขเวทนาและไม่พอใจทุกเวทนาส่วนความเจ็บความปวดความเมื่อยความมันเป็นธรรมชาติมัน น, นั้นเป็นธรรมชาติมันแต่การที่เรามาพอใจและไม่พอใจในมันเนะี่ยนี่คือปัญหาที่เรียกว่าอุปาทานในเวทนาขันถ้าพอใจในความสวยความงามในรูปในเนื้อในหนังผมขนเล็บฟันอุปาทานในรูปอ่ะเนี่ย นั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะมีเวทนาอย่าอย่ามีความพอใจความไม่พอใจหรือความมีอุปทานในเวทนาความพอใจก็จะมีอุปทานอย่าไปยึดมันไม่พอใจก็อย่าไปยึดมันเห็นที่เฉยถ้าไม่เห็นที่เฉยเรามีหนะ้าที่อะไรมากกว่านั้นไม่มีชีวิตเราไม่มีอะไรมากกว่านั้นถ้าเราไปยึดล่ะยึดไอ้สุก สุขเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวก็หายทุกข์ล่ะเราไปแก้ไขอะไรทุกข์แก้ไขได้เดี๋ยวมันก็เกิดดับอีกเหมือนเดิมมันก็เป็นอยู่แบบนั้นยิ่งถ้าวิ่งตามอยู่บ่อยๆเนี่ยเหมือนวิ่งตามสังขารวิ่งตามสังขารมันทำให้อะไรทามตามมันร้อนก็ร้อนตามมันมันเมื่อยก็เมื่อยตามมันมันหิวก็หิวตามมัน มันอยากสนุกสนานอยากเข็มอยากหวานอยากเผ็ดอยากมันบินตามกระแสอยู่เนี้ยเมื่อไหร่มันจะจบเป็นชีวิตอันนี้แล้วมันก็ทยานอยากยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปอนั้นเราต้องรู้เท่าทันอาการที่มันมีมันเป็นนะรู้เท่าทันที่จะไม่ปรุงตามไม่หลงอารมมีอามิ t คือมันมีเหยื่อนะรูปรถกินเสียงมาปรากฏเกิดขึ้นเราก็เห็นมันระลึกรู้ถ้าความระลึกรู้ไม่พอพยายามดึงจิตให้อยู่กับปัจจุบันให้ได้อย่าให้จิตเนี่ยมันไหลเข้าไปในอารมณ์มานั้นอย่าหไหลเข้าไปในสุขอย่าให้มันไหลเข้าไปในทุกข์แล้วอย่าไหลเข้าไปในความหลงสงบมานั้นออกมาอยู่ข้างนอกนะ ความสนุกสนานความเพลินติดในสุขในทุกเนี่ยมันเหมือนกับการประโคมดนตรีปรานาดพาดของเขาเล่นเขาประโคมมาเราสนุกด้วยกับมันเราก็วิ่งเข้าไปในกระแสแต่เราก็เหนื่อยรูปเกิดขึ้นเห็นรูป ส, สวยๆงามๆรูปดีๆรูป อย่างเรานั่งนี่มันทนได้มันสบายโอ้ยรูปมีพอใจในรูปป่ะเนี่ยอีหน่อยก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เสื่อมเพราะมันเป็นอนิจจงธรรมชาติทุกอย่างล้วนเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนนั้นสังขารทั้งหลายทั้งปวงจึงเป็นอนิจจงเป็นทุกขงังที่ไหนเป็นสังขารคือเราไปปรุงแต่งมันเมื่อไหร่จะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามมันล้วมให้ผลเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะ ทุกคือมันสลายอ่ะอย่าเรานั่งเนี่นั่งนานๆอีกรื่องมันก็สลายยิ่งมีความยึดในความสุขความสุขเนี่ยเราติดแล้วเราสมมุติมันขึ้นมานะสุขเนี่ยจริงๆงมันไม่มีมันเป็นทุกข์ที่ทนได้ยากนั่งสัหน่อยเดี๋ยวขยับแล้วเดี๋ยวขยับแล้วเพราะอะไรเพราะมันทุกข์ไงนะทุกข์แต่จิตมันก็ไม่ขยะกขยงว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์นะน่าจะถอนหนาตาตัวตนความพอใจไม่พอใจความลหลงไหลในสังขารอันนี้นะ ออกมาอยู่แบบลอยตัวนะเป็นอิสระไม่ทุกข์กายเจ็บจิตไม่เจ็บกายหิวจิตไม่หิวนะกายเมื่อยกายปวดจิตเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นเฉยๆจิตไม่ได้เป็นผู้เป็นถ้าเป็นอย่างนั้นได้เขาเรียกว่าเราถอนตัวตนถอนอุปทานออกจากธาตุได้ออกจากขันได้ กายผู้รูปน้มขันนเนี่ยมันเหมือนเรือที่กำลังจะจมอยู่ในน้ำมันผุพังอยู่เรื่อย ๆ, ๆแต่เราก็ติดติดวัตถุติดรูปติดลักษ์ติดสิ่งติดของที่อยู่ในเรือคือเราติดกายเรานนี่ยเองวันวันหนึ่งเรามีใจจะหามาให้มันสนุกทางตา <c oughs> ได้เห็นรูปเห็นรถเห็นกลิ่นเห็นเสียงเข้ามากนระะทบปัสสาวแล้วก็เพลินนี่ เหมือนขับเรือที่อยู่กลางแม่น้ำทะเลนี่มันกว้างลึกมากงนั้นความคิดเราวันหนึ่งๆเนนะ่มากนะแต่เราก็เพลินอยู่ น, นนะเราไม่รีบจ้ำเข้าฝั่งฝั่งคือกายเนี่ยฝั่งคือรูปคือนามฝั่งคือพระนิพพาน เราไม่อยากไปพระมหาชนกเป็นตัวอย่างอหนึง่งท่านไม่รู้นะว่าทะเลนี่มันกว้างไกลขนาดไห น, นมองไม่เห็นฝัง่งแต่ท่านก็ไหว่เจ็ดวันไหว้เต็มที่เลยไหว้เวียนไหว้ข้าหาฝัง่งในที่สุดก็มีนางมณีเมฆลามาช่วย ชีวิตของเราก็เหมือนกันเราเวียนไหวยอยู่ในความคิดในสังสารวัตรเนี่ยในความปลุงแต่งกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเนี่ยกิเลสคือความอยากกรรมก็คือฉันกะระทำแต่ยังมีกิเลสอยู่มันต้องทรรํากรรมพอทํากรรมปุ๊บมันก็เกิดวิบากเกิดผลขึ้นมาผลของมันก็คือไม่สุขก็ทุกข์สองอันมันไม่ได้ทําเฉยเฉยโดยไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยมันทํายังไม่เป็น จิตมันยังไปรับผลของการกระทาอยู่พอผลการกระทำพอใจไม่พอใจก็ติดอีกก็ใกล้ไปกิเลสอีกเวียนไปเวียนมากิเลสคํำวิบากกิเลสคำวิบากแบบนี้ต้องไปรับผลคือความทุกข์อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราจเจริญสติทีเนี้ยเราเออกอยู่ปัจจุบันเราไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าพอใจก็ไม่เอาไม่พอใจก็ไม่เอาติดง่ว ง, ต, งติดเหงาติดเบื่อเราไม่เอาเราเป็นผู้ดูเฉยๆเดี๋ยวมันก็เกิดแล้วมันก็ดับ ธรรมชาติทุกอย่างเกิดและดับที่มันดำเนินไปเนี่ยเพราะมันมีเหตุปัจจัยของความอยากเป็นตัวหนุนอย่เนี่ยถ้าความอยากยังมีอยู่กิเลสตัณหายังมีอยู่ทุกไม่ดับคนปฏิบัติธรรมเนี่ยติดความง่วงมันเหมือนกับคนทั้งโลก ที่คิดมากแล้วไปกินเหล้าพอกินเหล้าปุ๊บก็เอามาดับความคิดดับปัญหาไม่ให ม, ม, มันคิดอะไรเลยเหมือนกับเรานะ่ะไม่อยากเห็นความโลภโกร่หลงอะไรเกิดขึ้นในตัวเองไม่เห็นแล้วหลงเข้าไปในความหลับเหมือนกันเหมือนกับคนติดความเหล้าติดเหล้าติดเมาเมาคือเอามาดับทุกแก้ทุกแต่ถามว่าแก้ไดไ้ไม่ได้กลบไว้เฉยยิ่งสติปัญญาเสื่อมซามลงไปเรื่อยๆด้วย เรานี่ยมาทำสติให้มันดีขึ้นมนุษย์เราแต่คนโ ง, ง่ๆทั้งหลายไปกินเหล้าคือทำลายสติตัวเองทำให้มันเสื่อมซ้ำไม่ให้มันรู้เรื่องอะไรไม่ความเป็นคนไม่ให้มันมีอ่ะไม่ให้มันหลงเหลือเพราะมาตรฐานของชีวิตมนุษย์จริงๆเนี่ยอยู่ประมาณนั้นแหละคือความเป็นคนเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในระดับที่ปกติและพยายามผลักดันจิตตัวเองเนี่ย ให้ไปสู่ความปกติที่เรียกว่าศีลเราเคยได้ยินนะชีวิตของพุทธบริษัทหรือของมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยถ้าอยากดับทุกข์ต้องมีศีลมีสมาธิและมีปัญญาเทนี้ก็ดับทุกข์ได้แต่ความความหมายจริงจรงเราไม่รู้นะศีลเป็ว่าปกติปกติคือเราต้องเห็นภาวะที่มันปกติที่มันไม่มีง่วงครอบงำไม่มีความฟุง้งซ่านไม่มีความหงุดหงิดดื้อดัน ธรรมะจากสุอันปราดจากทุลีปราดจากมวลถินได้เกิดขึ้นแล้วแก่ผู้ภา ผ, ผู้มีอายุโกลญญทันย์ยัยคือความปกติในจิตต้องเห็นด้วยปัญญาแบบนั้นโอ้เมันเป็นนะี้เนาะนั่นแหละศีลเกิดขึ้นศีล น, นี่มันจะทำลายกิเลสอย่างหยาบนั้นพอมีศีลในตัวโทสะมันลดหายเบาบางจางคลายไปแล้วเราก็พอกคูนทำให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยทีนี่อย่างที่เราปฏิบัติทำเราได้อารมณ์นะ่ะนั ความปกติเริ่มมีแล้วศีลที่เป็นศีลปรมาทิ์ที่เป็นนที่ศีลสิกขาเนี่ยมันจะเข้าไปศีลไปตัดไปรอนศีลไปว่าตัดไปว่าถลุงนะซึ่งอารมณ์ที่อยู่ภายในใจมันค่อยค่อยดับลงดับลงดับลงมันก็เป็นสมาธิสมาธิคือมันตั้งมัน่นมันไม่หวั่นไหวอะไรกระทบผัดสะยังไงมันก็ตั้งมัน่น ตาหูจมูกลิน้นกายใจของเราเนี่ยถูกรูปรสกินเสียงสัมผัสอารมณ์กระทบยังไงรู้สึกว่ามันตั้งมั่นนะวันวันนมันมีแต่ความว่างนะมีแต่ความปกติการทําให้ศีลมันมากขึ้นให้มันปกติมากมากขึ้นนั่นแหละแต่มากขึ้นเนี่ยวัดด้วยกิเลส ท, ที่กระทบไม่ใช่หลบไปอยู่จมอยู่ความหลับอะไรสักอย่างไม่ใช่พอมันมีมากขึ้นมากขึ้นมันต่อเนื่องมากขึ้น วันดีคืนดีมันก็จะมีพละศรนะัทธาพละวิ ร, ยริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละมีกำลังพอแล้วก็สามารถชนกับอาสวะหรือสังโยชน์ที่เกิดขึ้นในใจเรานะแล้วเกิดการแตกดับอยู่ข้างในเกิดการแจ้งสว่างโพงตื่นอยู่ข้างในในจิตเราเนี่ย แล้วกลายเป็นตัวรู้ล้วนเกิดเนี่ยเขาเร ta. ียกว่ามันเกิดปัญญาอันเนี้ยเป็นการเห็นแจ้งอยู่ภายในเขาเรียกว่าเกิดญาณทัศนะปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาให้เกิดปัญญาญาณเมื่อเกิดปัญญาญาณมันจึงจะเกิดวิมุติจึงจะเกิดสภาวะหลุดพ้นจากทุกข์ได้ถ้าไม่เกิดปัญญาญาณมันหลุดพ้นจากทุกไม่ได้ อย่างเห็นไม่เวลาเราตัดความคิดได้เป็นวังวันความง่วงมาแล้วก็ตัดได้เป็นบงังานเนี่ยมันตัดได้น้อ ย, อยเพราะสติที่เรามีเนี่ยมันยังไม่พอที่จะเป็นปัญญาญาณยังไม่เกิดเป็นญานณทัศนะเนีมันเป็นญาณในน้อ ย, อยแค่เห็นความคิดเมื่อก่อนเราเกิดมาตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยตัดความคิดเลยไม่รู้ว่าความคิดเป็นทุกข์กิเลสคือความคิดเราก็ไม่รู้นึกว่ากิเลสคือความอยากเงินทองผู้หญิงอะไรประมาณนั้น เพศตรงกันข้ามเนี่ยจริงๆไม่ใช่ความคิดเรานั่นแหละความปรุงแต่งเรานั่นแหละความอยากที่อยู่ในใจนั่นแหละคือกิเลสแต่สติในี่ตัดความอยากได้ไ้ยไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าความคมมันไม่พอสติมันน้อยปัญญามันยังไม่เกิดสติคือความตั้งมัน่นความระลึกรู้ได้ต่อเนื่องระลึกรู้ระลึกรู้ความระลึกรู้เนี่ยมันสามารถระลึกรู้ตั้งแต่ มันคิดธรรมดานี่ยลยลึกรู้เห็นรู้เท่าทันจนทํางเวลาลึกรู้ลึกลงไปลึกลงไปจนทว่ามันไประลึกเอาอาดีตของจิตที่สะสมที่เขาเรียกว่าภูมิอดีตชาติที่ฝังอยู่ในใจขึ้นมาทําลายนั่นแนหะละมันระลึกจนปานนั้นเขาถึงเรียกว่าสาระไงเรานับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นสาระพุทธเป็นสาระธรรมสาระ สังฆสารณะไตราสารณะคมสารณะคัมมาณคมมนูนสระเนี่ยมันมาจากคาว่าสอนสระคือส อ, สอนสอนลูกสอนเนี่ยสระแปลว่าเล่นสารณ ะ, ะสระติะมาเป็นสติสติแปลว่าเล่นเร็วเล่นทันความคิด แท่นทันกีเดตกีเลดตอยู่ในที่ความคิดเนี่ยสติคุณจะชา้าช้าอย่างที่เรารู้สึกตัวเนี่ยเรารู้สึกมือ น, นี่ก็รู้สึกตัวนี้ก็รู้สึกเวลามันคิดมันรู้สึกคือจะแล่นทันความคิดนั่นแหละเหมือนลูกศรเนี่ยเราจะเอาไปยิงอะไรอ่ะยิงนกยิงหนูเหรอมันต้องเร็วกว่านกกว่าหนูจะยิงกิเดตเหรอถ้าฝึกสติจะยิงกิเลตสติคุณต้องเร็วเร็วจนั้งว่ามันทันความคิด ทันกิเลสด้วย น, นะเป็นวันแวบมาเนี่ยมันทันละเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นอะไรแสดงว่ามีสติภาษาละนะไม่ใช่สติทํางานทําการขับรถขับลาไม่ลถไม่ควา ม, มอะไ น, นั้นเป็นสันทัตยานนะดูหนูดิดูนกดิแล้วทำไมเห็นอยู่ที่เมนอยู่ที่วัดข้างข่าวเนี่ยมันบินมาด้วยความเร็วสูงนะ เว้ามันเข้าป่องไฟมันเนี่ยไม่มีพลาดสักตัวเลยเข้าได้หมดนะถามว่ามันมีสติไมมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีมมมแต่อาศายสัชยนชตาญาณนั้นคุณเดียเ๋ยวนี้ทั้งหลายอยู่ด้วยสัชยนชตาญาณนะไม่ใช่ดูด้วยสตินะสติของพระอริยเจ้าหรือสติที่ดับทุกเนี่ย กับสัญชาตญาณในการหาเงินหาทองหาอยู่หากินเนี่ยจริงๆพูดแบบไม่อายคือเดลฉานวิชานะเนี่ยเดลฉานวิชาวิชาความรู้ที่ตอบสนองสัญชาตญาณเขาเรียกว่า ash ash เดลฉานวิชาพอตอบสนองแล้วมันทําให้ทุกข์ขึ้นไปอีกทุกข์ขึ้นไปอีกแต่ปัญญาเนี่ยคือทําแล้วทุกข์มันดับมันหาย โดยเฉพาะปัญญาของมนุษย์เนี่ยคือการรู้เห็นสังขารตามความเป็นจริงที่มันเกิดหมาเนี่มันวิ่งมาอแตมาก็ไม่เห็นมันชนนั่นชนนี่สักทีนะหมาเนี่ยถามว่ามันมีปัญญาไหมมันก็ไม่มีอ่ะแต่มันอยู่ด้วยสัญชาตญาณมนุษย์ก็เหมือนกันหาเงินหาทองเข้าของเะรต่างเนี่ยครับรถขับลามันทําด้วยสัญชาติมันกลัวตายไงแต่มันไม่กลัวคิด มันไม่กลัวการปรุงแต่งมันไม่กลัวทุกที่เกิดจากกิเลสตัะฮะเคยได้ยินไหมทุกเนี่ยรูปูปรูปเป็นทุกข์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกขันดังหา้าว่าโดยย่ออุปาทานขันดังห้าเป็นตัวทุกอุปาทานนอุปาทานคือการยึดติดในทุกข์เนี่ยเป็นทุกข์หมูหมากรไก่มันยึดติดในร่างกายมันไหมสังขารมัม้ยมันไม่ได้ยึดด้วยซ้ําไปอ่ แต่ว่ามันมีปัญญามันก็ไม่ใช่ก็อยู่ด้วยสัญชาตยานอีกเหมือนเดิมแต่มันไม่ใช่ปัญญามันแต่สัญชาตยานมันไม่ปรุงแต่งนั่นเองมีไหม่หมาอกหักไม่มีเราว่าควายโง่ควายอกหักมีไหมไม่มีอ่ะมันอยู่ด้สัญชาตยานได้เฉยปีหนึ่งมันก็มีแบบหนึ่งครั้งหนึ่งความรู้สึกแบบนั้นเป็นสัตว์ของมันนะ มันอยู่ได้แบบนั้นแต่มนุษย์ที่ว่ามีปัญญานี่ยกับติดอารมณ์กามติดอารมณ์ปรุงแต่งแบบนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยยิ่งติดมากเท่าไหร่ก็บง่งบอกว่าเราทุกข์มากเท่านั้นน่ะเราออกจากความคิดไม่เป็นจริงๆอย่างเรานั่งใจเฉยๆตื่นมามันก็ไม่มีแล้วมันไม่มีอะไรแต่เราไม่ใส่ใจที่จะดับแบบถาวรก็ไปปรุงแต่งมากขึ้นมากขึ้นบางคนแก่จะตายแล้วก็ยังไหลไปทํากระแสเนี่ยเพราะอะไร เราตกเป็นธาตุของเวทนาขันไงว่าโดยย่อ อ, อุปาทานขันเป็นตัวทุกรูปรู ป, ปูปาทานนักขันโทวเวทนนคือทุกทุกทั้งหมดเลยรูปเป็นทุกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกมันทุกเพราะมันมันทนสภาพเดิมไมน่ดะ้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่แลราก็วิ่งไปในในวัดตวันของตัวทุกันนั้นแเราเลยถูกกระแสมันปั่นเข้าไป ทีนี้ปฏิบัติทำเราให้เห็นอ้ความอยากเกิดขึ้นนะเนี่ยเราก็สลายทิ้งไปมันปรุงแต่งนะนี่ทิ้งไปมันเบื่อหน่ายนะนี่เห็นทุกทิ้งไปนั่งอยู่โอมมันง่วงมันเหงานะนี่ไอความง่วงความเหงาเพิ่งนอนตื่นมาเมื่อกี้นะมันนา่าจะพอโยมทั้งหลายยิ่งนอนกว่าตมา ตื่นสายกว่าด้วยซ้ำไปนอนมากหมายความนอนคนละกี่ปีแล้เนี่ยคนละสามสิบ6ี่สบห้าสิบหกสิบปีลยก็จะมีแล้วเนี่ยแต่ยังไม่อิ่มอีกเนี่ยตื่นก็เหมือนกันนคิดว่าหลายหลายคนเนี่ยตื่นหลังตีสองมาทั้งหมด แต่เราก็ยังง่วงอยู่พอไรเพราะเราหลงจมอยู่ในความง่วงไงหลงจมในความผู้แต่งเราไม่มีปัญญาเห็นเนะี่ยทุกที่เกิดเนี่ยแล้วเราก็พยายามไม่พยายามที่จะปลุกสติของเราเนี่ยให้มันเป็นสารณะให้มันเล่นดันเออมันง่วงต้องรู้ต่อนมันจะง่วงนะนะอย่างเห็นเขาปืนเขายิงมาเนี่ยเขาต้องรู้นะลูกมันมาเนี่ยต้องหลบพันนะ หลบเป็นน่ะถ้ามันมาแล้วมันหลบไม่ได้สตินี่ต้องรู้เท่าทันเท่าทันความคิดเท่าทันกิเลสตัณหาอุบทานเขาต้งบอกว่ายานเป็นว่าการอย่างรู้ยังรู้ยังลงไปลึกๆึกนู่นนะอย่างลงไปในจิตนู่นนะว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในลึกลึกนะอาสวาหรือนิสัยสันดานเดิมกูหลือเป็นยังไงมันออกมาอยู่ลึกๆกนู่นนะแล้วมันเกิดการระลึกระลึกมันมันสูดขึ้นมาอย่างนี้ เหมือนเราสืบน้ำโมกเนี่ยกือกกคกือ ก, กังสติมันทำหน้าที่เหมือนแบบนั้นเนะี่มันจะเห็นนะ่มันจะสอดส่องเขาเรียกธรรมวิจัยไงสติและลึกรู้สติสัมโพชฌงค์ที่เราสวดสติคือการ ล, ลึกรู้ธรรมวิจยสัมโพชฌังคันจะพอมีสติปุ๊มันจะทำหน้าที่วิจัยคือสังเกตตรวจสอบจิตตัวเองเนี่ยว่ามีอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ ง่วงไหมเบื่อไหมขี้เกียจไหมปรุงแต่งไหมงดจิตไหมมันจะเห็นนะ่ะเขาเรียกว่าทำวิจัยแล้ววิริยะวิรยิรยะคือพยายามที่จะรู้เห็นแล้วเอาออกให้ได้ปีติทีนี้พอออกได้ก็เกิดปิติความดีใจเหมือนเราเรียนหนังสือเวลาจบมันเกิดปิติแบบนั้นนะ่ะปฏิบัติทำมนีรก็เหมือนกันเวลาเอาทุกออกจากใจได้มันก็เกิดปิติเกิดความเอื้อเยิมแต่ปีติตัวนี้ไม่ใช่ปีติแบบเราพบลูกพบหลานห่างกันไปนานนานมันจะควบคุมด้วยวยิบวัตสัทธิ เนี่ยคือมันสงบปีติในพุทธธรรมเนี่ยที่มันเจเริญมาจากสติเนี่ยมันจะเกิดปีติเกิดปัดสสติความสงบสงบแบบไม่มีกิเลสเนี่ยไม่มีความพอใจและความไม่พอใจแต่ปีติมันพอใจขึ้นมาเหลังจากนั้นมันจะไม่พอใจพอใจไม่พอใจไม่ได้ดับหายปีติยาจะวิราค่ัเพราะความดับหายแห่งปุเพว คือความพอใจและความไม่พอใจในการก่อนการก่อนนี่นับตั้งแต่จิตที่มันติดอารมณ์ไว้ตั้งแต่เราเป็นเล็กๆ น, น้อยๆนาะ น, นะตั้งแต่จําความได้นะประทับใจกับเรื่องอะไรเกลียดชังอะไรอยู่ในนั้นมันจะเกิดการสํารอกออกนั่นแนหะมันต้องลึกเข้าไปในนั้นเขาเ ร, เรียกว่าสาระเนาะสาระหรือว่าสอนที่ว่าพุทธทางสารนังกัจฉามิสติที่มันเป็นสาระ พุทธคือรู้ตื่นเบนวันที่เป็นสาราคือมันเจาะชอนชัยทะลุเข้าไปถึงจิตนั่นแะเราจะไม่ได้ติดกับความง่วงความเหงาสื่มเสืออะไรเล็น้อยแบบนี้ฉนั้นต้องมีความแหลมคมปานนั้นถึงเรียกว่าสตินะไม่ได้หมายว่าเออทำอะไรกูก็พอรู้อยู่อันนี้สติเด็กๆหรอกอันเนี้ยสติทารกอันเนี้ยนั้นปฏิบัติ ท, ทาบางคนในสองสาวันเขาทะลุแล้วไปไกลละ ธรรมังสารนังคัตฉามิเคยได้ยินนะข้าพเจ้าเอาสัตว์เอาธรรมะเอาธรรมะคือเป็นสาระยากนะตัวเนี้ยคือเอาการรู้การเห็นเองรู้เห็นเองปัจจัตตังสันติโกอากัลิโกเอหิปัจจิโกสภาวะอันนี้เป็นสาระเนี่ยหลายหลายคนมีหรือยังมันไม่ ม, ม, ม, มีมันไม่มีในจิตแต่เราก็ว่าเป็นเงั้นแหละว่า เ, าเอาเป็นสาระคือเอาสภาวะเนี่ยเห็นรู้แล้ว เป็นสนนนัรู้เล่นเท่าทันกิเลสที่เกิดปรากฏในจิตสังฆะคือเอาปฏิบัติดีสู่ปฏิปโนอุชุปฏิปโนยายะปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบั ต, บ ต, ต, บติเพื่อออกจากทุกยายะปฏิปโนปฏิบั ต, บติสมควรแก่ธรรมเดี๋ยวนี้กิเลสมันเกิดระดับหนึ่งระดับห้าเราได้สติมาระดับศูนจุ้ามันจะไหวก็เลยมันไม่สมควรแก่ธรรมไงอันเนี้ยเมื่อไม่สมควรแก่ธรรมทำดับไปได้ไหมอกุศลทำดับไม่ได้ มันดัไม่ได้เพราะสติมันไม่เสมอภาคกันนะอย่างนักมวยเขาตีปอนต่อปอนนะปอนต่อปอนต้องให้มันได้น้ำหนักกันมันถึงสู้กันได้อันนี้สตินน้อยสติแผ่วๆเบาๆนะลมพัดเย็นมาหน่อยตาเสือเส่อบเสื้อบหลับแล้วเห็นไหมนะคนเดินผ่านในน้อยคิดแล้วเกียดแล้วชังแล้วรักแล้ว มันติดอารมณ์ขนาดนั้นนะ่ะดังนั้นสติที่เรามีเนี่ยมันต้องเขยา่าธาตรู้ให้มันเกิดเยอะๆเขยา่าความรู้สึกตัวเขยา่านะเมื่อเราตื่นตัวเฮี้ยมันก็ตื่นขึ้นมาเรื่อย ๆ, ๆยิ่งเรานิ่งเท่าไหร่ยิ่งสงบไปยิ่งจมนะมันไม่ตื่นจิตมันไม่ตื่นนั้นจึงเปิดตาเปิดหูนะ เปิดตาออกมาเปิดหูเปิดจมูกเปิดลิ้นเปิดกายเปิดใจรับรู้ให้แสงสว่างของพระธรรมนี่สานส่องเข้าไปแสงสว่างก็คือการรู้สึกตัวนี่แหละให้มันสานส่องเข้าไปมันจะมีจังหวะหนึ่งที่สว่างที่กลางใจอะสว่างแบบแจ่มแจ้งแล้วเราไม่ต้องกําหนดรู้เลยสติมันทํางานของมันเองไงนั่นแหละเขาเรียกว่าสติแบบอริยะอันสติแบบอริยมรรคสติที่มันเป็นมักๆมรๆคมผลเนี่ยที่เราบอกว่ามักผลเนี่ย นะแต่ถ้าภาษาบ้านเราในแปลกันง่ายคือมักแปลว่าชอบแปลว่าชอบคุณชอบหรื อ, อยัง ไ, งไอรู้สึกตัวเนี่ยเดี๋ยวเนี้เดี๋ยนี้ยังไม่ชอบนะไอรู้สึกตัวเนี่ยถ้ายังไม่ชอบมันจะไม่เกิดผลนี่ได้ลูกได้เมียกันหมดแล้วนะเนี่ยได้ผัวกันหมดนีชอบจะไม่จึงได้แต่งงานกับเขาชอบเออชอบ มักแปลว่าเที่ยวไปเที่ยวมาบ่อยๆมันมาบ่อยๆหาบ่อยๆคิดบ่อยๆและเรื่องรู้บ่อยๆชอบมันบ่อยๆมันก็เลยเกิดผลออกมาผลพวงก็ได้ลูกแล้วนี่ปฏิบัติทําก็เหมือนกันคุณต้องชอบรู้สึกตัวนี้บ่อยๆชอบจนทำว่าชอบเป็นเองเนี่ะขนาดฝันขึ้นมาจังสร้างจังหวะอยู่เลยโอ้ยเต็ชอบจนกรทั่งเข้ากระดูกดําเอาจนปานนั้นน่ะถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะคุณจะเกิดการรู้แจ้งได้ไม่ยาก อันนี้ฝันว่าได้สร้างจังหวะก็ยังตกใจอยู่เลยตรงทีว่าตายกูจะบ้าแล้วนะเนี่ยขนาดลืมตาอยู่ชวนสร้างจังหวะเดินจกงมโอยมันไม่ถูกทางละมั้งเนี่ยถ้าคุณยังไม่ชอบอยู่ป่านนี้แล้วคุณจะเห็นทำเหรอคือคุณไม่ชอบความปกติไงเดี๋ยวนี้เขาทําให้มันปกติอันนี้ปกติภายในปกติแบบสมบูรณ์แบบอ่นนัเนี้ให้มันเห็น เห็นทุกที่เกิดแล้วเห็นออกจากมันมันมวกมากไม่เข้าไปมันเบื่อมากไม่เข้าไปมันหงุินมากออกจากมันโอ้ยชอบหลายแท้เนี่ยชอบหลายแท้คือมักหลายนี่แหละพอมักหลายก็จะเกิดผลล่ะนี่อสัมมาทิฏฐิก็คือเห็นอยู่เรื่อยๆเรื่อๆื่อๆเนี่ยสัมมาทิฏฐิเห็นตรงๆเห็นตรงๆไม่ปรุงแต่งเห็นแล้วก็วางเห็นแล้วก็วางนี็แล้วก็วางสัมมาทิฏฐิเห็นตรงๆเห็นซื่อๆเห็นไม่ต้องไปคิดอะไร ง่วงมากก็เห็นเฉยๆเออเห็นแล้วนะเนี่ยคาถาป้องกันตัวพวกเธอไม่เห็นเลยในหลังหนังสือมนะที่เขาขายนะซื้อทาํทาวัดนนทําวัดนี้นะแต่ในวัดสมนั้นไม่มีอ่ะไม่ใส่คาถาโน้นคาถานี้ให้วุ่นวายเพราะมันแก้ไม่ได้คาถาเงินล้านก็มีนั่นเด็ดแต่ประเทศไทยนี่ก็จนแล้วจนดีบมีแต่คาถาอยูน่นประเทศอื่นเขาไม่มีคาถาทําไมเขารวยจังประเทศ จอสโซลอ์เนี่ยมันมีหรืคาถามไม่มีตีตลาดหุ้นประเทศไทยแทบแตกนะซื้อเงินบาทเงินอะไรแต่มีคาถาคาถาป้องกันตัวคาเตสิคเต ส, เตสิกิงกระนงังคาเตสิอหังปิตังชานามิชานามิเนี่ยจริงๆมันเป็นคาถาสติ แต่คนไม่รู้ไปท่องกันอยงออกจากบ้านต้องหันไปทางที่ตะวันออกนะนะจะก้าวขาเนี่ยต้องปิดรูจมูกขวาก่อนแล้วค่อยก้าวเท้าขวาออกหรือก้าวจากเท้าซ้ายถ้าจะออกตอนสายตอนค่าให้ปิดจมูกซ้ายแล้วก้าวเท้าซ้ายอะไรประมาณนั้นโอ้ oh. ตกบันไดพอดีเลยไปปิดจมูกปิดะ hmm. อะไรอยู่นั้นคือจริงๆเขาตั้งใจให้เรียลึกรูก้อยู่กับลมหายใจให้ตั้งสติดีๆนั่นเองนะ แต่เราไม่รู้ความหมายคเตสิคเตสิกิงก า, าเรนาคาเมันแปลว่ากูรู้นะคาถาป้องกันตัวมันมาจากคำว่ากูรู้นะว่ามึงคิดอะไรกูรู้นะมึงกำลังคิดอะไรเนี่ยแสดงว่าสติมันรู้กูรู้ถนะ้ามึงคิดอะไรกูรู้ถนะ้มึงกําลังทําอะไรมึงจะปลวงแต่งแล้วนะแน่ ๆ, ๆ, ๆ, ๆรู้นะยลองดูดิเราสร้างจังหวะเนี่ยแสดงว่าเรากําลังทําคาถานั้นอยู่เนี๋ย เนี่ยมันง่วงแล้วเนี่กูรู้นะนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้มันไม่รู้อันนี้มันบีบคอใส่ห้ำนู้นนะกดคอลงไปนู้นนะอ่าปากซ้างามน้ํำลายไหล ย, ยืดยืดตัวเนี่ยมันหนักนะพอพูดดังๆสัหน่อยก็ยกไวๆหน่อยแล้วก็หมดสภาพบีบแบตเตอรี่ในชาร์จตลอดโอ้ยอันนี้มันก็ตายไปดีเลยเจ็บคอแล้วปวดชาเร์จ อันนี้ลืมตาอ้าปากกว้างๆมองไกลๆหายายาวๆให้มันเห็นดีๆเ ด, ด้อะไรเกิดอะไรดับเนี่ยมองอยู่ภายในนี่ให้ใจมันสดใสเนี่ยื่อทีบางคนอย่าหลับนั่งดีๆลืมตาขึ้นหลับนอกตื่นในนะดู่าโง่หนักหนาก็าไปอีกเราวัดตรงไหนวัดอีหน่อยก็เหมือนเดิมอะใส่สายมาหลับสะพอ เหมือนเดิมคือแก้ไม่ได้นั่นเองนะแต่พูดเป็นแต่ทำไม่เป็นนะหลายหลายคนอนา่านหนังสือเนื้อหาตำรบตำราแต่สู้กับกิเลสไม่ได้พระพุทธองค์ท่านตัดเอาไว้ว่าเคยเห็นฟ้าไหมฟ้ามันคำรามแต่มันไม่ตกฝนนะ ฟ้ามันคำรามแต่มันไม่ตกแต่บางอย่างบางครั้งไม่คำรามแต่ตกฝนแต่บางอย่างคำรามด้วยตกด้วยบางอย่างไม่คำรามแต่มิดซิลีไม่ตกด้วยหมายความว่าบางคนเนี่ยคำรามแต่ไม่ตกก็คือรู้ธรรมะพูดธรรมะนะแต่ทำไม่ได้ อ่านหนังสือหนังหาตำรับตำราแต่ทำไม่เป็นอ่เขาพูดนั่นก็รู้เขาพูดนี่ก็รู้กูรู้อยู่แต่ทำไม่ได้มันคํารามนะได้ไมโครโฟนโอ้ยพูดดีจังละนะไปอยู่ในวงการพูดธรรมะธรรมุพูดอย่างอะไรดีแต่ถามว่าทำแล้ ว, ว, ว, ว ไ, มไม่ได้นิวรน โอ้หนิวรณ์เครื่องกีดขวางไม่ให้ปรรลุทาความง่วงโอ้ง่วงเงาต้องแก้ด้วยสติการมาชันทะแก้ด้วยการพิจารณาอสุภะผมคนเล็บฟันของไม่เที่ยงเนี่ยรู้ไปหมดเอาลองเดินจูกลมดูดีเสหน่อยไปไม่รอดแล้วง่วงแล้ะทั้งที่รู้ทฤษฎีแต่ทำไม่เป็นเนี่ยคำรามอะเนี่ยแต่ไม่ตกมันรู้ไปหมดนะ นั้นเดี๋ยวนี้มันมีมันมีแต่ฟ้าคํารามไปที่ไหนก็มีแต่ฟ้าคํารามอยู่นั่นนะะคํารามจากพระสงฆ์องค์เจ้าข้างวางจากญาติโยม <c oughs> แต่บางแห่งนะไม่คํารามไม่พูดไม่อะไรอ่ะแต่ต่อยหนักบางคนเนี่ยคือเวลาทําทําได้แต่ไม่พูดไม่คุยแต่นิ่งสงบได้กิเลสดับได้เรื่อยๆสงบสบายตั้งใจพระบางองค์อยู่ด้วยไม่พูดไม่คุยนะแต่ท่านก็ทําได้แล้วสังเกตความเพียร เก่งสู้กับกิเดสสู้อะไรได้นะไม่คุยไม่พูดตกฝนตกตกเรื่อยเืยเรื่อยเตกลงมาในใจงไงชำระล้างจิตอยู่เรื่อยเรื่อเรยแต่บาอย่างตกด้วยนะออกด้วยบางคนพูดก็เป็นปริยัตก็เก่งปฏิบัติก็เก่งนะทําความเพียรได้ชำระล้างใจรู้สึกว่าเป็นคนเย็นขึ้นเย็นขึ้นสงบขึ้นสบายขึ้นโอ้เป็นอย่างี้เนาะแต่บางอย่าง เรียนก็ไม่เรียนปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัตินะทํากับเขาลูกเดียวทําบุญอย่างเดียวบางคนทำแต่บุญแต่ศึกษาเรื่องภาวนาไม่ศึกษาปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติไม่มีปริยัติไม่มีปฏิเวทปรากฏเกิดขึ้นในหลายคนนั่นเนี่มาปฏิบัติทำเนี่ยนะมันนอาจจะคำรามมากนะเนี่ยแต่มันไม่ตกบางทีนะ พอปล่อยออกไปเท่านั้นแหละคำรามงามับงงับกันอยู่ในกุฏิ น, นแต่ฝนมันไม่ตกไงรู้มากแต่ทําใจไม่ได้เนี่ยปฏิบัติทาเนี่ยงั้นมานี่มันจึงมาหาสอบวิทยานิพนธ์เลยเนี่ยมาเฝ้าดูว่าตัวไหนมันดีมันไม่ดีให้เห็นเฝ้าดูเนี่ย ตั้งอกตั้งใจนะเหลืออีกยี่สิบนาทีจะหกโมงแล้วนี่เวลาเราเห็นมันมาเนี่ยรู้ทันทีนะอ้อทุกขโขติดนามาแล้วนะถ้ามันมาอย่างนี้แช่นานๆนในทุกขาเปรตตานเนี่ยจมนะกูเนี่ยไหลไปสู่ความทุกขน์น่เนี่ย มันง่วงนะนี่ยเออความคิดเข้ามาแล้วเนี่ยกเตสิกิงรู้แล้วนะคิดแล้วนะเนี่ยกิงกระนังกเตสิมึงคิดอะไรกิงอะไรรู้นะมึงคิดอะไรมึงเริ่มคิดแล้วเนี่ยเริ่มฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยอาหารปีตังชาณมิเชนิอย่าคิดว่ามึงสิคิดอย่าคิดนะว่ามึงจะทำอะไรให้กูได้กูรู้สึกนะเนี่ยกูรู้นะเนี่ยเขาก็เลยไปแต่งเรื่องประกอบไงแต่งเรื่องประกอบ ว่ามีคนไปสมัครเป็นทํางานเลยเป็นงานอยู่กับพระราชาที่จริงมันมันมันนอนหลับแต่มันละเมออาจารย์ให้ท่องคําคําเนีน้ท่องแต่คําคํำนี้แล้วก็ไปอยู่ในพระราชาวังมันเข้าไปทำอะไรไม่รู้นะที่มหาโจนเขากาลังจะปล้นพลพระราชาวางังพลพระราชาท้องผักขังกลางคืนนะมันตื่นขึ้นละเมอกูรู้นะมึงคิดอะไรกูรู้นะมึงจะทำอะไรมาเอาเอ้ามีคนรู้ด้วยหรือเนี่ยะ เฮยมันรู้เว้ยมันเนี่ยถอนทับถอนทับเนี่คยค่อยๆร้อยมันมีคนรู้เอ้ยไม่ใช่นะเข้าไปเข้าไปมันกรเมื อ, อี ก, <c oughs> อ ก, กูรู้นะมึงจะทำอะไรอ <c oughs> แล้วมันก็หลับเหมือนเดิมนะ <c oughs> ต่อมาเขาว่าดีมากๆเขาเลยให้เป็นมหาเสนาบอดีไอ้หมอนี่ <c oughs> เพราะว่าเขาปล้นไม่ได้ไงเนี่ยขนาดมันหลับลับตื่นมันได้เป็นมหาเสนาบอดี <c oughs> โยมนี่พระปุกเอาปุกเอามันยังไม่เป็นหรือมหาเสนาบอดี พอเพระค่าทิ้งนะ่อนนี้มันมันหลับเลยไปอะมหากษัตริย์ก็คือผู้สอนนี่แหละผู้บอกพระมหากษัตระสัดจะให้รางวัล น, นะมหาเสนบริก็คือนี่แหละเมืองของโยมก็คือกายนะไอผู้เฝ้านครผู้เฝ้าอยู่ผู้รู้อยู่ผู้ตะโกนอยว่าคือตัวสตินั่นแหละรู้นะนี่มึงคิดอะไรให้กูเนี่ยกูไม่เอานะ่นนี่ยรู้ น, นันี่ตัวคิดตัวปรุงแต่งนะี่คือตัวสังขาร ตัวสังขารก็คือตัวทุกนะมันทุกอยู่บ่อยๆมันสร้างปัญหาให้เราบ่อยๆมันคิดเราบ่อยๆแต่เราไม่รู้มันไงศัตรูที่ทำร้ายเราไม่ใช่อะไรนะความคิดเรานั่นแหละที่เป็นอกุศลแลรทำเนี่ยบางอย่างก็เป็นกุศลแต่ทําให้จิตเราไปติดไงแต่เราจะไม่ติดเนี่ยเห็นมันเฉยๆรู้เฉยๆดูเฉยๆนะสุขเวทนาทุกเวทนาอะทุกข์มสุขรู้สุข ทุกโสมโธมโธมมนัตโสมมณัตเขาจะแยกไนงะสุขก็สุกายทุกก็ทุกกายเวทนาห้านะเนี่ยนะโสมมณัตสุกใจโธมมนัต ท, ทุกใจอุเบกขาเวทนาเฉยเฉยเฉยต่อสิ่งที่ปรากฏขึ้นก็เป็นเวทนานะอะไรที่เป็นเวทนานี้ไมนจะเกิดมันจะดับ นั่นเราไม่ติดอยู่ในเวทนาเวทนามีก็รู้ไม่ใช่ไม่มันมีนะโอเผ็ดเนาะนี่ก็รู้ว่าเผ็ดเค็มนอกก็รู้ว่นเค็มเมื่อยนอกก็รู้ว่าเมื่อยแต่ว่าไม่เข้าไปอยู่ในในสิ่งที่มันเป็นให้เราไม่เข้าไปอยู่ในวังวนคือมันหมุนอยู่อย่างนี้น่ะมันเป็นอนไรจังทุกขังตาตามมันหมุนอยู่อย่างนี้แต่เราไม่เข้าไปในนั้นเหมือนใครมาขอเราแต่งงานอย่างเงี้ยเราก็ไม่เข้าไปในกระบวนการที่มันชักชวน เราก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าเราหลงเข้าไปขบวนการที่เกิดจากนั้นโอ้ยหลากหลายมากเลยนะมีลูกมีเต่าหาอยู่หากินพอใจไม่พอใจรับเลี้ยงกิเลสตนะล า, าขับมากมายหลากหลายจนแก่จนเท่าตายนะทุกข์เราไม่เข้าไปพอเราปฏิเสธนิดหน่อยนะ่ะผลเกิดขึ้นดีมากนะแต่ส่วนมากเราไม่กล้าปฏิเสธความคิดที่มันมาชวนเรา ไม่กล้านะเขาส่งสัญญาณมานะชีวิตเนี่ยนะว่าสิ่งท่าไหลายทั้งปวงไม่ใช่ของเรานะรวมทั้งร่างกายนี้ด้วยหลายหคนแก่ให้ดูนี่ผมก็เริ่มไม่มีแล้วบางคนนะแต่บางคนผมก็มีอยู่แต่มันก็เอาไปส่วนหนึ่งแล้วส่งสัญญาณขาวแล้วนะขาวแล้วนะบางคนก็หลอกตัวเองยอมไวนะ้เนี่ยต้องหากระจกะอะไรมาใส่เข้าไปเลยนี่ ยากละตาหัวจมูกดินกายใจเริ่มเหม็นเริ่มอะไรมาฟันหลุดฟันหล่อเข้าไปแล้วนี่ยแต่เราก็ยังไม่ยอมถอยนะไม่ยอมถอยยังชอบมันอยู่อีกไงยังเอาจริงเอาจังกับมันอีกประดับตบแกแต่งมันเข้าไปแต่มันไม่รู้เรื่องกับเราหลอกร่างกายนี่ ผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยยอมมันยังไงประดับมันยังไงก็เท่านั้นแหละไม่มีอะไรดีขึ้นแต่มันเป็นความรู้สึกที่เราติดไงเราไม่อยากออกนะแต่ถ้าเรามาดูเฉยเฉยก็สบายคนที่มีเงินมีทองเข้าของระดับหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าฝึกสติดีๆเนี่ยเขาจะมีความสุขทั้งกายทั้งใจใจก็มีความสุขที่ไม่เป็นธาตุของกิเลสเงินทองเข้าขอ ง, ของก็ไว้เรียกเยียายารักษาตัวเองสุขภาพมันก็ดีไปโน่นไปนี่ก็สะดวกสบายมีร ถ, ม, รถมีลานะ แต่ใจก็เป็นอิสระไงแต่ในนี้ใจไม่เป็นอิสระนั้นสิ่งที่มามีเนี่ยมาตอบสนองกิเลส ท, ทั้งหมดเลยมันที่ทุกข์มากไงนั้นดูดีๆศึกษาดีๆให้เห็นนให้เห็นเราจะไปชอบมันกิเลสปฏิเสธมันแล้วรู้ความลับมันเอาลองเราด้วยทำใจให้บริสุทธิ์วันหนึ่งไม่ให้มันชอบมันชังเลยนะ่ะ แต่ถ้าชอบชังเกิดขึ้นมีเวทนาเกิดขึ้นมีอามิตรเวทนาที่ประกอบด้วยอา mith คือมันมีเหยื่อล่ อ, อคือรูปรสกลิ่นเสียงมาเนี่ยเห็นเฉยๆสัมผัสเฉยเข้าใจโอเป็ น, นีเองเนี่ยก็ดูมไปเรื่อยๆเฝ้าดูเรื่อยการเฝ้าดูอยู่บ่อยๆจะเกิดการรู้แจ้งขึ้นเรื่อยๆในจิตเราเนี่ยคือเราไม่เข้าไปในสัญชาตญาณที่มันออกมาเราจะดับความเป็นสัตว์ในจิตเราวันวันหนึ่งนี่เรา เที่ยวเกิดเที่ยวตายตลอดเวลานะั้นแต่เราไม่เข้าใจสวรรค์นในอกนรกในใจนิพพานไม่ไกลหายใจก็ได้ยินนะว่าเราดูดิบางวันร้อนลุ่มกลุ่มใจทุกข์เพราะทำชั่วทำไม่ดีมาโทสะเกิดขึ้นเนี่ยร้อนเล่าอยู่ในใจเขาเรียก ว, ว่าเอาเวจีเอาเวจีก็คืออ่า จิตที่ไม่มีช่องว่างอารมณ์ที่เป็นสุขแทบไม่มีมีแต่ความร้อนอยู่ภายในนั้นเขาทําเป็นไฟลุกปุบปอ๊บปุบปอ๊บปุบ ป, บปับอยู่เอเวจีนั่นแนหะแต่เป็นเรื่องเองจิตแต่ไม่รู้จะทําไงเขาวาดเป็นรูปภาพเอเวจีมันร้อนโดยเฉพาะคนข่าพ่อข้าแม่ข่ า, ขาพระอย่างเงี้ย น, นั้นพวกเธอก็จะได้ทํำนะเทิดเป็นยมค่ามันตกเอเวจีนะมันทุกข์ไง ปัญหามันเกิดขึ้นในเราไม่รู้จักโลกันตะมหานรกโลกันตะโลกกะอันตระคือไม่มีช่องว่างในระหว่างเลยโทกตลอดแต่ว่าบางทีหาสบายสักน้อยก็ยังไม่ได้นอนก็ยังผวาเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเรียกว่าไฟนรกเผาเลยนะเขาเรียกว่าสัตว์นรกอันนี้สัตว์นรกนารกเราเคยเห็นนาที่เป็นรกนะนารกคือนานาเฮียบาลง เขาเรียกว่านาเฮียคือนาที่มันมีมันมีหญ้าเยอะนี่ยเขเรียกว่านาเฮียคือแก้ไข ย, ยังไงก็มันรกพวกให่จังมันมีผืนมี ก, กกอะไรขึ้นมันมากมายทําไม่ได้เน่ะนั่นนารกแต่เขายืมมาใช้กับจิตเราจิตเราที่มันเป็นนารกก็คือจิตที่มันมีมีช่องว่างที่ว่างๆแบบสุนยาตาแบบอนัตตาให้เห็นเลยอะมีแต่ความปรุงแต่งมีแต่ความอึดอัดขัดเคือง มีแต่ความพอใจความไม่พอใจหลงเข้าไปเฉยๆไม่มีอ่แต่ถ้าเราเฉยกับมันนะมันคิดยังไงเฉยกับมันเดี๋ยวมันจะดับไปเองเดินี้เราฝึกสติให้อยู่กับเป็นมีสมาธิเพื่อเพื่อเฉยกับความปรุงแต่งอันนี้ไม่มันทำํำลายเราทีนี้ถ้าออกได้จากนรกเป็นยังไงไ <c oughs> อ้พวกร่ารวยเกยจะมีปัญหา ติดอยากหิวเมื่เคยกินเนี่ย น, นี่เนี่ยมันก็อยากหิวมื่อยากกินอยู่เรื่อยๆอยากทานอยู่เรื่อยอย่างนั้นอันนี้อยากเป็นแบบความอยากเขาเลยทําว่าท้องอใหญ่ๆแต่ปากเล็กๆนะกินเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะท้องมันใหญ่มันกินได้ทีละน้อยไอย้ความอยากมันมีเยอะแต่การกินนต่างหูจะูกมันน้อยๆเองมันเคยหามาตลอดเวลา ออกจากนรกก็มาเป็นเปรตแหละเนี่ยเปรตเปรตแปลว่าผู้หิวโหยตอนเย็นๆมามันหิวถ้าหิวตามความเป็นจริงเพราะมันเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งนะหิวด้วยความอยากเป็นแบบหนึ่งนะอยากอันหนึ่งนะอยากในด้วยอำนาจตันหาหิวงนี่มันเป็นธรรมชาตินะแต่ธรรมชาติบางอย่างเนี่ยถูกกิเลสมันหล่อหลอมจนเป็นเป็นมันขาดไม่ได้แล้วเหมือนคนอยากเล่าอยากอะไรประมาณเนี้ยหรือกินอาหารเนี่ยนะ อย่างกินอาหารกินอะไรก็ได้ยิ้มเสร็จปุ๊บเข า, เอาอะไรมาให้ก็ไม่กินแต่บางคนออไอ้อ น, นี้ไม่เคยกินนี่รสชาตินี่ชอบไปแล้วนี่มันปรุงขึ้นมาไม่ <c oughs> ของนอกเลยเห็นไหมเล่าตาหลวงข้าวนะเล่าแม่โขงแม่ของอะเหมือนกันเมาเหมือนกันนะ่นะเมาเหมือนกันแต่คนมันไม่รู้เนะพรนะอยู่ที่วัดมีองค์หนึ่งเป็นโลกปูมแพ รตาไปหาหมอหมอเขาบอกว่าลงาุงตาโรคภูมิแพ้น่ใช้ใบมะเขือบ้ารู้จักนะใบมะเขือบ้าใบลาโพงนะดอกลาโพงดอกยาวๆยว่นๆไปตากแดดไปตากแดดแล้วมามวนๆแล้วสูบสูบโอ้ยๆสูบ ป, ประมาณสักเดือนหนึ่งวันละสองใบ ได้หายมาหลวงตาก็เอามาให้สูบใบละสองเขาว่าอาทิตย์ละสองใบไม่ใช่วันละสองใบอาทิตย์ละสองใบที่แรกพระฟันใบวันละสองใบต่อมาสี่ห้าใบเขาไปอีกวันหนึ่งนะ ใบมะเขือบ้ามันชอบมันสูบแล้วมันมเมาไงมันบ้ามันติดแทนที่จะรักษาโรคติดใบมะเขือบ้าอีกต่างหากนี่ที่เรียกว่ารักษาโรคเนีย่ยจะไม่ใช่ล้วงตาเอามาให้อีกเด้อเนี่ยมันติดกินข้าวอิ่มพอเดินผ่านไปกุติเอาแล้วเป่าพุงพุงอยู่ควันจมูชงเฉดติด มะเขือบ้าเนี่บ้าจริงๆนะมะเขือเนี่ยนะสมัยก่อนก็เคยพระเ네นนในวัดไม่รู้อาหารการกินไม่มีต้มน้ำปะนะแต่ก่อนก็ใช้ลากไม้ยาสมุนไพรนะมุ่นนะสมัยปีสอง6นันหะ้าหกนนะต้มไปต้มมามันออกลูก ปกติกินตามต้มมะเขือเอามาซุปมาแล้วกันแนะ่นนนี่มะเขือบ้ามันอกอกเขารู้ต ท, ทำไงเขาไม่รู้เขาก็มาต้มต้มน้ำปะนะตอนยินดูดิแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำอ้ยอยซดกันใหญ่เลยนะมันก็เมาดิมะเขืออันนี้มนเมานะเพราะมันไม่รู้ความอยากพาไปเห็นว่าเป็นมะเขือมะเขือก็เอาหมดเลยนะ ตอนเย็นๆนะ่ะเคยเห็นกองเพลงไม่รู้จักไหมกองเพลงกลองกองใหญ่ๆที่เ็าตีตุ้มๆคนไปทำบุญนั่นแหละมีอยู่สององค์นะที่ฉันแอบฉันพักกันฉันเนาเสุขไปแล้วเขาไม่รู้เป็นัไงมันเมาไปแล้วมันเอาค้อนไปเคาะกองเพลนะคอนแล้วก็ฟ้อนคนหนึ่งนะ่ะ ตีกองบรรเลียงฟ้อนอยู่คนเดียวสองคนน่แหละโยมเขาทางบ้านได้เห็น่มันเสียงอะไรว่าตีกองกองใหญ่นะบรรเลียงนคนหนึ่งบ้านอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้วัดไปเอาผ้าถุงแม่มานุ่งแล้วก็ฟ้อนพระนินนะอพอดีจะอาวไม่อยู่ไปเทศทางบ้านจะมาโยมเขาลงมาดูก็ยังเมาอยู่เหมือนเดิมมันเมานะโยมจะได้ไปต้มดื่มนะ ทานอย่างอื่นซะนะกินเหล้านี่ยังดีกว่ากินมะเขือบ้านนี่นะอันตรายเพราะฉันชีวิตเนี่ยบางทีอย่าว่าแต่สิ่งเสพติดปปนนั้นเลยเนะ่ยรูปรสกลิ่นเสียงธรรมชาติเนี่ยทําให้เราเสพติดจนถ้าเราออกไม่ได้นะีอย่างกามเนี่ยเขาบอกว่าเออผัวเดียวเมียเดียวนะเรียกว่ากามมาสังวรเอาพอประมาณนะพอรักษาเผ่าพันแต่คนมันไม่ มันมากมายหลากหลายเห็นไหมอันนี้ก็คือมันติดนะมันติดมันเห็นว่ามันเป็นจริงเป็นจังก็เวลาติดอารมณ์เสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของนะเสียเจริตเสียนิสัยมันไหลไปตามกระแสกินก็เหมือนกันกินอาหารนี่ไปกินไปเลยเลยในบ้านนอกบ้านที่โ น, น่นที่นี่ไปแต่จะไม่เกินดอกรูกรถไนเสียงเท่านั้นเองนะประมาณนั่นแหละ ถ้าเราติดแบบนี้มีเท่าไหร่เราก็ไม่พอล็อกชีวิตมันไหลมันไปเรื่อยๆสีที่มันไหลออกมาใจๆแล้วบังคับเราให้ไหลไปตามกระแสเขาเรียกาอาสวะมันไหลออกมาไหลออกมาเมื่อทีเราเหมือนกั้นได้นะกั้นได้แต่เราไม่ไ ม, ไม่ไม่เข้าไปทํำลายไอ้ที่อยู่ข้างในได้สติเตสังนิวนสติเป็นเครื่องกัน้นแต่ว่าปัญญาญาเนี่เป็นเครื่องทําลายทํำลายอยู่ข้างในแล้วต่อมาไม่ต้องกั้นล้ะ ไม่ต้องมีสติกันละแต่มันก็ทํำลายได้แล้วมันก็ไม่มีมันไม่มีอะไรเลยวันวันหนึ่งมันแห้งอยู่ข้างในมันว่างอยู่ข้างในใจเนี่ยมันก็สบายนะนี้เรามานั่งทําวัดสวดมนต์นี่มันไหลออกมาตั้งตาเสือเสือบอ๋อหลับแล้วนี่หลับแล้วลืมตาขึ้นมาได้บอ ก, กอยู่เลยก็ลืมตาขึ้นมาพอลืมตาพระว่าเนี่นยงินให้พระอีกล้วเนี่ยว่าของกูเรื่องของกูเนั่นเนี่ยกูเนี่ยแห น, น เรื่องกูกทำไมะมาเป็นลูกศิษย์กูนี่ยดังนั้นก็หนีจากกูไปนี่แต่มันไม่เป็นแบบนั้นมาอยู่ด้วยกันก็ เ, เอาด้วยกันเอาไปทำไงมันไม่รู้เนาะเหมือนลูกเรานั่นแหละพ่อจะมายุ่งในชีวิตหนูนะน่นนี่โอ้ยหนูยังไงหนูลูกพ่อน่ต้องเอาใจใส่ดูแลบอกกล่าวกันเนี่ยจะมาโกรธได้หรือโกรธพระพระก็ไม่มีทางสู้หรอกเนี่ย แต่หน้าที่บอกก็คือบอกแค่นี้นะแต่อย่าลืมนะโยมอย่ามาโกรธนะที่นี่มันพระแต่ลงมีตรลายทั้งนั้นนะดูอาการนะตั้งหัตั้งใจศึกษาเรียนรู้มันทุกอย่างการกินการดื่มอะไรเราต้องสังเกตให้เห็นถ้าดูบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเราเข้าใจชีวิตแล้วไม่มีไม่มีสภาวะที่มันจะเป็น สัตยรัจฉานเป็นเปรตผุดขึ้นมาเนี่ยมันไม่เป็นนะความหิวโหวยกินแต่พุทธะภืมนก็ไม่เป็นอ๋อมาขึ้นมาแล้วเนี่ยเ น, น, นเป็นเปรต เ, เดี๋ยวนี้อาหารในประเทศไทยมันเยอะมากมันเป็นเมืองอาหารเนะ่ยการกินรดรสอะรเปรงุงอย่างดีเลยเอาไปมามนุษย์ในประเทศไทยเนี่ยเขาต้องลดน้ำลงรน้ลงอยู่สองโลกหนึ่งมะเร็ง สองเบาหวานเดี๋ยนีเพราะมันกินแล้วมันเบาหวานมันเยอะไงเพราะมันติดรถนะกินไปกินไปกินมาสังขารร่างกายอินซูลินเสื่อม3แล้วโรคอันนี้เป็นโรคที่รัฐบาลต้องเสียงบประมาณในการดูแล ร, รักษายาวมากเพราะใครเป็นเนี่ยเบิกเบิกเบิกเบิกแล้วมันยาวอะ่ะเขาลงทุนเยอะทั้งที่ไม่ควรจะเป็นเพราะพราะมัน มันมีเยอะไงมันสะดวกสบายแล้วก็เลยต้องเอาเรื่อยๆเรืยๆรืยๆเรื่อย ๆ, อยๆต่างประเทศอเมริกาโรคอ้วนมากนเนี้ยพราอาหารกันกินมันเยอะมันสะดวกไงกดเอากดเอานะ่ะฮันโลกเนี้ยโลกแห่งเทวดาเนี้ยกรุงเทพอย่าลืมนะคำว่ากรุงเทพเมืองของเทวดานะไม่มีเมืองไหนชื่อยาวไปนนี้ไม่รู้ตั้งหาสวรรค์วิมานอะไร กรุงเทพมหานครอมรรัะตะนะโกสินป์มหินตามหาหมนิลพภมพนันโรนีบุรีลมอะไรสุขสมใจโอ้ยวุ่นวายไปหมดเลยดูชื่อมันนี่ยาวยังอะไรดีนะบางกอกพอแล้วนะตรงตาเขาไม่อยากไปทุกข์กับมันมันตั้งชื่อกระชัางหัวมันนะแต่ว่ามันมากมา ก, มากมากจนไม่เข้าใจลูกชายลูกสาวเราเด๋ยนนี้ก็แบบนั้นแหละตั้งชื่อก็ไม่รู้กี่พยางแต่ก่อนเขาตั้งบักดา ใยดำในขาวในอัวนี่ในน้อยจบแล้วเนี่ยจบแต่เดี๋ยวนี้อะไรนะชื่ออะไรนะอีนางหนึ่งที่ไปปฏิบัติที่เชงใหม่เมื่อกี้เนี่ย น, นะพูดห้าครั้งลงตา ก, ก็จำไม่ได้อะไรนะอะไรนะหยกอะไรนะชื่อมันอะไรเอฮะพุ่นมโนรินนชนนชนินอะไรไ ม, ไม่รู้เรื่อง มันไม่รู้มันชื่ออะไรอะชื่ออะไรก็ไม่รู้เอาง่ายๆหน่อยอีแต๋วก็พอแล้วว่ามันนะคือให้มันจํากันง่ายๆน่ะนี่เราไม่รู้อะไรบางคนไม่มีไม่มีไม่หันอากาศไม่มีสระอุข้างล่างนะจะเป็นชื่อยาวเป็นแถวเดียวไม่มีมิจตุตอักษรนะนะรัชตนนทอะไรประมาณนั้นนะมันมายุ่งกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะ อันที่มันเป็นเรื่องไม่เป็นนะคุณคนหนึ่งนละ้ว่ปงงัปฏิบัติธรรมกับหลวงตาเนี่ยไม่บอกตำแหน่งเขานะอะไรนะชื่อเขาเลยสื่อเขาสอสลาสอสลาลอเรือสอเสืออ่านว่ายังไงพนะ่ะอ่านก็เที่ยมไม่ได้นะ ยุ่ยายากอยู่ไ่รู้เรื่องเลยเลขาเลขาสีนะ่เอ็ดบุ๊กชื่อเล่นมอะไรน้องตากชื่อเธอ้มันก็คือเขาเป็นแบนแบ น, น, นั้นเนี่ยโลกนะว่าไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นท่านเอาอะไรที่มันง่ายๆชีวิตนี้ง่ายๆแบบง่าย อย่าอะไรมันไ่ยุ่งกับมันมากสังเกตดูนะวันเนี้ยเกิดเป็นอะไรบ้างแล้วลองไล่ไปอีกหน่อยดิเป็นเปรตมีหรือยังเปรตมีไหมเออเราจะไปคิดว่าคนอื่นนะนะไอ้พวกเปรตทั้งหลายเนี่ยมันมีอันหนึ่งนะครับว่าปรัตตูปชีวิเปรตเขาหมายดึงพระนะบางทีเนี่ย ปรัตตุปิชีวิวเปตชีวิตที่อยู่ด้วยกันทานอาหารจากบุคคลอื่นนะก็เรียกว่าปรัตตุปิชีวิเปตพระก็เหมือนกันถ้าจิตมีแต่คอยหวังจะให้เขาอาหารมาให้แล้วเขาไปใส่บาตไปเดินไปวิบวิบาทบ้านนี้ทำไมไม่ใส่วะอย่างโน้นอย่างนี้นอันนี้เรียกว่าปรัตตุปิชีวิเปตชีวิตที่อยู่เป็นอยู่ด้วยคนอื่นนะหวังนะแต่ถ้าเดินไปเฉยเฉยไม่คิดอะไรเลยได้ก็ได้ไม่แสดงว่าจิตมันไม่มีภาวะแบบนั้นหายจากความเป็นเปรตแล้ว โยมมานี่ก็เหมือนกันนะ่ะกินมันหอมมันอะไรนอนถูกใจกูไม่ได้วันนี้เนี่ยเปรตผุดมาอีกแล้วอย่ายให้มันเกิดนะที่นี่มีเปรตและกับอสุระจิตคนน่ะเนี่ยคือเขาทั้งหมดสภาวะทาทั้งหมดเป็นเรื่องของจิตมันไม่มีตัวนะแต่บางทีมันก็แต่งตัวเหมือนกับเปรตบางทีเนี่ อสุรกายอสุรอสุระเปว่าไม่กล้าไม่กล้าบอกว่าสร้างจังหวะมันก็ทำบางไปท้งไกล้ากลัวกลวกคือไม่มีความมั่นใจอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าอสุรกายไหพวกกลัวกล้ากล้าเนี่ยทาความดีเนี่ยทำวิปัสสนาทําอะไรดีๆเนี่ยมันไม่กล้าเอานิ่มลพระเราหันหน้าไปทางโน้น ตามธรรมเนียมแหละเราหลับพอสมควรแล้วเราก็อันไปทางยาทางโยมสเสวยสุขระดับหนึ่งแล้วทันวันวันหนึ่งเราอยายให้มันเป็นโยมอยายให้มันหิวมันกระหายหิวกระหายนี่เป็นเปรตตะทุกใจอึดอัดเดินทุกคยิ่งทุกยิ่งทุกหลายๆคนวันสองวันแลรกสัตว์นรกมาเกิดในนี้เยอะมาก เฮ้ยกูจะไหวไม่ได้กูจะอยู่ไม่ได้กูร้อนรุ่มตุ้นใจในั่กตายพอดีนันเเี่เห็นไหมนรกเกิดขึ้นในใจสภาวะจิตมีแต่นรกเพราะนันน่นก็เฮ้ยกูก็หิ ว, วนั่นกีข้าวก็ไม่ได้กินได้กินมื้อเดียวนะไนนนะด้ยินอาจารย์ท่านว่าเมื่อวานเฮ้ย น, น้ำปนานะก็ไม่หวานบางคนก็คิดว่าน้ําทำไมไม่หวานน่าจะหวานบ้างเดินจุกมที่จริงท่านน่ะแหละคิดก <c oughs> <c oughs> ็ฝากเจ้าภาพไว้ด้วย พระชอบหวานคือบอกเรียบเคียงไปแล้วถ้ายังไม่เข้าใจก็จะหนีละวันเนี้ยไม่เอาด้วยละ่ะอะไรประมาณนั้นก็ให้เข้าใจด้วยอกเป็นปริสนาธรรมเหมือนกับการบอกเลขนั่นแหละบอกเรียบเคียงก็ยังรู้ว่าตัวอะไรนะแต่นี้บอกทางพันไบโครโฟนไปก็ยังไม่รู้ก็โอ้ยรับไม่ได้ล่ะเนี่ยแสดงว่าเจ้าภาพไม่มีปัญญาอะไรประมาณนั้นมันจะคิดไปงั้นนะจิตนะ เมื่อวานนเห็นพูดตั้งสองครั้งนะยำ้ำมีไม่จะมกด้วยบางคนก็คงจะคิดนะคงจะคิดมันน่าจะหวานบ้างมันจะเดินจะกลมจะได้มีเลี้ยวมีแ้งเหมือนเมื่อยมาเนี่ยใจไม่โยมโยมน่าจะคิดนะทำไมลงตามห ว, หวมันคิดหลายรอบเ น, นนี่มาแต่นี้เป็นปิิศนาทรหน้าไม่ให้กินกันแล้วไปไม่กโกรธไม่ว่าไม่ว่าอะไร คือพระอยู่ที่วัดนี่เขาจะชอบหวานๆหน่อยๆปกตินะเขาจะชอบแบบนั้นแหละอันนี้จิตหนึ่งมันก็มองในแง่ดีโยมเขาคงกลัวเราเป็นโรคเบาหวานละว่างกัเลยเอานั่นมาให้อันนี้มาให้แต่ก็บอกไปนะบางคนคงชอบนะบางคนจะชอบหวา น, นอะไรปรยังยังยังฝากไว้อีกอยู่ไมยอมนะมเขาเป็นธรรมชาติธรรมดาและอันนี้จิต จากอสุรกายก็กัวกกล้าเนี่ ย, ย, ย, ย, ยอยากทำบ้าไม่อยากทําให้เอาไหมหน้อดิบางคนมีนะถ้าเกิดกูบรรลุทำแลกูได้บวชแล้วกูจะทํำยังไงเนี่ยไม่ได้กลับบ้านนะเนี่ยกูได้ยินว่าบรรลุแจ้งรู้แจ้งละตายและ้ะทรัพย์สมบัติกูเลยจะทํายังไงใครจะเอาเนี่ยโอ้ตายตายตาย ต, ายตายโอ้ยทำเล่นๆแตถ้าเ ก, ก, กิดบรรลุได้จูอย่าไปกลัวมัน จะไปกลัวมันมันไม่มาล่วง่ายเราโง่งๆแบบนี้นะ่นะะขอให้ได้สติมากกว่านี้หน่อยก็ใช้ได้แล้วละ่ะแต่ต้องสู้หน่อยฟันฝ่าหน่อยไปอยู่บ้านเนี่ง่วงเหมือนเดิมเราก็ตื่นมาไม่ง่วงจะทำการทํางานคิดบัรชงบันที่สดใสเนี่ยสบายไม่อง่อ่ะไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดไปใครเป็นอะไรก็ธรรมดาเนี่ยอย่าลืมนะหลายๆคนผู้ชายที่มีเมียน้อยกลับไปอาจจะมันเอาผัวใหม่แล้วก็ได้ด้ ืมพี่ไปเถอปฏิบัติธรรมนะไปเถอแปะบุญกุศลให้หนูหน่อยนะอะไรประมาณนั้นพอมันโทรมาไม่มีเบอร์โทรกลับเนี่ยคงนอกใจแล้วที่ไหนได้พายดพายดโทรศัพท์กูมันมันไปแล้วป่านนี้งั้นจะไปคิดถึงมันปล่อยวางมันหรือบางคนสามีเราที่อยู่ที่บ้านบางทีก็ไม่รู้ยังไงแล้วป่านนี้ บางคนก็อยากโทรเช็คกูอยู่ที่ไหนนะ่ะเอย่าไปโทรเช็คมันปล่อยมันไปเถอะนะปล่อยมันไปเถอะแล้วจะมันจะไปแต่ละวันจําได้ไหมบอกว่าใกล้จะถึงวันออกแล้วนี่อย่าลืมมารับนะจริงๆมันคอยพูดมันจะหน่อยนั่นแหละจิตจิตจิตจิตมันจะเป็นอย่างนั้นหลตา ม, มาอยู่ที่นี่หลงตาออกมาจากนี่สองเดือนจะสองเดือนเดือนเดือนยังไม่เคยโทรไปวัดเลยนะ มไม่มีความคิดอะไรอ่ะแต่ก็นึกถึงอยู่เมื่อวานนึกถึงหน่อยหนึ่งนึกถึงว่าเอ๊ปั๊มน้ําที่อยู่ในอ่างเก็บน้ําเนี่ยพราว่าติดปั๊มอัตโนมัติไว้น้ํามันแห้งหลงแห้งหลงก็เลยคิดว่ามันจะแห้งหรือเปล่าไม่รู้นะนะแม่ชีกับพระอยู่ท่้นเขาจะรู้เรื่องหรือเปล่าเพราะคนรู้เรื่องเนี่ยคือจะรู้เรื่องมากก็คือหลวงตาถ้าน้ำมันแห้งก็คือปั๊มก็คือไหม้ไปเลยอย่ะ เพราะเขาจะมีแต่ใช้ใช้ใช้อย่างเดียวน้ำปั๊มแท้งในวัดนะไม่เล็กแบบนี้นะที่วัดปั๊มขึ้นวันหนึ่งสามแสนลิตรเลยนะแท้งข้างล่างก็แสนเจ็ดนะแล้วมาแท้งข้างบนตัวละสอง มันข้างบนเนี่ยสองพันห้าสองันห้าก็ห้าหมืนข้างบนนะแล้วมันก็จะติดอยู่ตลอดเวลายิ่งเขาลดน้ําต้นไม้เนี่ยยิงยากจะแห้งแต่ก็เอา้าแห้งก็แห้งซื้อใหม่ถ้ามันไม่ได้ก็จะบอกเขาเรี่ออะไรมาทางลําพูนนี่แหละยโยททมไว้เถิดวันนั้นจนกระทั่งไฟไหม้เครื่องดําปั๊มน้ําแล้วนะก็ขอแผ่เะจะตุปัจจัยอะไรประมาณนั้นนะ เงินเหลือใช้ถ้ามันไม่เหลือก็แล้วไปจบไปแต่ก็จะเอาลุงสนิทนี่แหละถ้าบมนาขาดนะถ้าไม่ขาดก็แล้วไปโชคดีไปเพราะว่าเอาไปเที่ยวได้มากกว่านี้นะถ้าพัฒนาขึ้นมาระดับหนึ่งนะระดับพัฒนาขึ้นมาจิตของคนนะก็จะ<ำ>อยู่จาก ที่แรกเป็นอะไรนะนรกแล้วก็มาเปรตอสุรกายแล้วก็มาเิรฉานไอเดรฉานคำว่าดิรฉานแปลว่าขวางขวางความเจริญความเจริญความเจริญไปสู่มรรคผลนิพพานนะรวมทั้งเจริญในสู่ความเป็นมนุษย์ด้วยอย่างเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเขามีศีละแต่คนทั้งหลายทั้งพวงตัดขาดไม่ค่อยมีศีลนะ ศี่ห้าไม่ค่อยมีคือสามัญสํานึกมนุษย์นะศี่ห้าเนี่ยมันมีมาก่อนพุทธศาสนาด้วยซ้ําไปการศีลห้าสีลแปดสี่สิบอะไรพวกนี้ยแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับการดับทุกข์อันนี่ยแต่ว่าเป็นสามัญมนุษย์เป็นแบบนี้คือคนมีศี่ห้าก็ยังมีโกรธอยู่โลภหลงอยู่พุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นสภาวธรรมที่ทําลายความโกรธโลภหลงมันจะควรละเล้อ บ, บกันนะแต่เขาเรียกว่าศีลสังคมอันนี่ย สังคมก็ต้องมีศีลแบบนั้นนะศีลห้าศีลแปเราไปรักษาศีลอยู่ตามวัดตมมาก็มีศีลแปดศีลห้ามีศีลไปรักษาศีลทุกวันทุกวันแต่ไม่ได้ให้ศีลรักษานะนอนกอดศีลอยู่ตลอดเวลาตื่นมาก็ลาศีลกลับบ้านเที่ยวหมากเที่ยวอะไรไปตามเรื่องค้นแก่บไปงั้นศีลห้าเนี่ยคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละธรรมชาติเราอยู่ด้วยกันเนจะไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์เหมือนทำได้เหรอ งั้นคุณอยู่ในสังคมในคุณก็ไม่มีไม่มีสภาวะที่จะอยู่กับร่วมเขาได้คุณจะกินเหล้าเมายาคุณจะขโมยของคนอื่นเหรอคุณโกหกคนนั้นคนนี้เหรอมันก็ไม่ควรเนะี่ยมันเป็นธรรมชาติมนุษย์อันเนี้ยธรรมดาดั้นเขาบอกว่าคนไหนไห น, ไหนอยากเป็นมนุษย์ตลอดเวลาเนี่ยเกิดเช่นนี้เช่นนั้นคุณก็ต้องต้องมีศินหา้าคือมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมนูญชีวิตคนาศาสนาในละที่ไหนก็คือแบบนี้แหละ นะแต่ถามว่ายังมีโลภโกรธลงไหมมีอ่ะบางคนรักษาศีลแล้วไปข่มคนอื่นด้วยซ้ําไปมึงไม่มีศีลนะี่ยกูมีศีลเนะี่ยอย่างนั้นอย่างงี้เนี่ยกูถือศีลคนนี้นะนนะมึงไม่มีโกรธคนนั้นคนนี้นเห็นไหมนะกิเลสแดกเอานีรักษาศีลแต่กิเลสแดกน่ากลัวคือเรียกว่าศีลแบบรูปๆคำคำศีลอย่าง น, นี้รูบๆไม่ได้เอาจริงเอาจังคือไม่ได้เอามาดับกิเลสศีล น, นั่นเนี่ย นะกิเลสไม่ใช่มีเงินมากๆมีทองมากๆมีข้าวของไม่ใช่กิเลสก็คือความโลภกูหลงที่อยู่ในจิตเราเน้ น, นะที่เราไม่ทันมันไอตัวสารณะเนี่ยสติเนี่ยมันทํางานไม่ทันเนี่ยนะยิ่งนิ่งๆเฉยๆก็ไม่ใช่สติอะไรสิเนี่ยมันไม่ใช่แต่เราเข้าใจผิดไงทุกข์มันจึงไม่ดับนะทีนี้สภาวะจิตเนี่ยของคนอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในความเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานมันขวาง มันเป็นอารมณ์ที่ควางคือสัญชาตญาณเนี่ยเดรัจฉานมันอยู่ด้วยสัญชาตญาณการกินการดื่มการสืบพันธุ์การแสวงหาที่อยู่การกลัวภัยสัตว์เดรัจฉานมันมีการนี้ภัยอาหารนิทานพยะการกินอาหารการหลับการนอนการกลัวภัยการแสวงหาเหมือนกันกับมนุษย์แต่มนุษย์มันต่างตรงที่มนุษย์มันมีตัวรู้ท่านนี่มันรู้มันคิดนะเนี่ย รู้ น, นันี่ปรุงแต่งรู้ว่าโกรธ น, นั่นี่แต่สัตว์เขาไม่รู้นะอเนี้ยตัวรู้นี่เขาไม่มีสัตว์นะนั้นดูก่อนสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดถึงมนุษย์ถ้าไม่ได้พูดถึงเป็ดไก่หมูหมาวัวควายไม่นะสัตว์มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเภทเดียวที่พัฒนาได้นะแต่สัตว์มนุษย์นี่มันไปเกิดคําว่าไปเกิดเนี่ยนะคือมันไปเป็นอารมณ์จิตมันไปเป็นจิตมันไปเป็นไม่ได้หมายว่าตายแล้วไปรอดท้องพ่อท้อ ง, องแม่ออกมาใหม่ พอความทุกข์ที่เกิดขึ้นเราก็ทุกข์ปัจจุบันนี้ไม่ได้ทุกข์เพราะเกิดมาในชาติปางกอ่อนน้นรักใครก็ไปรักปัจจุบันเนี่ยเห็นกันในชอบกันเนี่ยชังใครก็ชังปัจจุบันเนี่ยความโกรธความชังเกิดมาปัจจุบันที่เราสะสมมาเนี่ยเราไม่ได้เกิดเลยเนี่ยพญานาคแต่ชาติปางก่อนไม่เทวดาที่โน่นที่เราไม่ได้ไปโกรธไปนั้นแต่โกรธเก Silence, ลีกยดหรือรักใครเนี่ยมันสะสมปัจจุบันนี้ปฏิบัติธรรมก็คือจะล้างที่มันอยู่ในปัจจุบันนี่แหละภบชาติที่มันเป็นปัจจุบันนนนเเีีี่่่ยยททุกใใจ พระพุทธเจ้สอเรื่องปัจจุบันธรรมนะนะทีนี้สิ่งที่มันเป็นดิรัจฉานคือมันติดอยู่ในอารมณ์ไงเขาเรียกว่าเป็นสัตว์มีระวัวควายมาเขาจะผสมเล้ว่ามันเป็นสัตว์วววนะตรหรือยังอ่ะมันอยากผสมหรือยังเนี่ยสภาวะสัตว์มันเกิดขึ้นนะนะในจิตเราก็เหมือนกันที่จะทําลายสภาวะ น, นี้แล้ไม่ให้มันมี สภาวะที่มันเป็นสัตว์นี่ไมมันมีไม่มันติดอารมณ์มันจะขวางสิ่งที่ขัดขวางก็คือสันติยานมีอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่นะสัตว์นี่มันไม่ได้ทำเยอะนะเสียงานที่อยู่มันก็ในน้อยไม่มากอย่างพระเราเนี่ยพระกรรมฐานจริงไม่ค่อยมีอะไรนอนยังไงก็ได้สะดวกสบา ย, ย ง, ง่ายๆแต่โยมนี่ไม่ได้มันเป็นเทวดามามันต้องอยู่แบบรุ่นหูเหมือนเดิม โยมพันธ์ทกุฏิเพราว่าหลวงตากุฏิยังไม่เสร็จนะโยมไปทําอะไรเป็นเดือนแล้วบก็ไม่รู้เหมือนกันหลวงตาทําที่วัดทําไมเสร็จเร็วหนูมเสร็จพอมาดูอนะที่ไหนได้โอ้ยมันก็ไม่เสร็จเร็วเนะทําสวยทํางามหลวงตาเหยียบไม้กระดานเมื่อคืนเกือบหักไม้กระดานที่กุฏินั่นนะข้างล่างมันคงเป็นพโพลงเหยียบราบเลยทีตายราคาหลายแสนนั่นนี่อื แต่มันเป็นโพรขงข้างล่างนะที่ไม้เขาวางวางบนปูนะคือทำนี้มันก็เป็นอย่างี้ยแต่พระกรรมฐานไม่อยากนะนะเขาบ้านพร้อมที่ดินราคาหลังละสนะี่ร้อยกดอันเดียวเท่านั้นแหละเป็นห้อยที่ไหนก็ได้ย่วมเขาก็อุทิศส่วนกุศลให้หลวงพ่อปากกดที่สวนนี้หน่อยเป็นมงคลนะปากสนนแล้วก็ไปแล้วเขาไม่ได้เอาไปด้วยง่ายๆชีวิตนี่ ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ขอแต่อย่าแดดมากเท่านั้นเอง <c oughs> นี่ก็บอกว่าเล่งปลูกไผ่เลยเนี่ยเอาน้ํายามาลาดหน่อยเล่งรากเล่งปุ๋ยเข้าไปน่าจะดีขึ้นนะแต่ดีรฉานมันประมาณนั่นแหละคือมันไม่เอามากแต่มนุษย์เนี่ยปรุงไหมปรุงไหมปรุง เ, เห็นบ้านรวยๆก็ อ, อ, อ, อ, อยากเป็นสีสวยๆก็ อ, อยากเป็นนะแล้วมันก็โฆษณา เราก็อยากได้กระเบื้องแบบนั่นกระเรื่องแบบนี้ไตรอนทูรอนนั่นสมายซื้อแหลกรถก็เหมือนกันยี่ห้อนั้นยี่ห้อ น, นี้อยู่นั่นแหละดูดีนี่มันปรุงแต่งไงแต่สัตว์มันเอาพอนอนแล้วก็จบไปพอดื่มพอนุ่งพอถือมันก็ง่ายๆพระนี่ก็มีประมาณเนี้ยสิ่งของไม่มีอะไรมากโยมยังมีสีนั่นสีนี่มาพระกะ็เหมือนเดิมดำดำแหล่ๆเหมือนเดิมไม่มีอะไรอ่ะ แต่ว่าชีวิตแบบนี้คนก็มาเรียนรู้เนี่ยมาเรียนรู้ชีวิตแบบง่ายๆคือทํายั ง, ยนะยงไงเราไม่ปรุงแต่งนะเราเอาพออยู่ได้มันก็อยู่ได้มันก็ไม่มีอะไรชีวิตในรับประกันได้นะไม่มีผมนะไม่มีขนไม่มีอะไรเนี่ยเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวก็เป็นแบบนี้แต่ก็ไม่ทุกประมาณนะลองฝึกดูอย่างก็ฝึกก็พัฒนาไปการกินล่ะ การกินก็กินธรรมดากินแล้วก็จบไปนั่นไม่มีอะไรไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่ถ้านั้นก็ไม่ไหวนะมันจะติดสํานักปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจึงว่าไม่ควรมีหนึ่งไม้ผลไม่ควรปลูกสองไม้ประดับประดับสวยๆเงามๆเนี่ยโยมสร้างจะงหวไปก็จะเป็นเออนี่นะมันอยากได้อยากเป็นไงสวยๆเนี่ยเออเมื่อปลูกวัดดีไหมนี่ อย่างว่าน่แหละมองดูเขาเลี้ยงปลาก็เอาเอาอีกแล้วเนี่ยศึกไปเลี้ยงปลานี่น่าจะรวยเนี่ยนี่ปลาอะไรยมอย่างนั้นอย่างเห็นไหมจิตมันติดเนี่ยผลไม้หนึ่งตอนเย็นมาเนี่เราได้กินมื้อเดียวเองใช่ไหมอาหารเนี่ยเดินผ่านต้นมะม่วงแง่จิ้มซะหน่อยดิอไดปรมาณนั้นผลไม้มีที่โน่นที่ลํายงลำใหญ่หมดแหละหลวงตาพาพระไปทุงเรเดียวพหลวงตาพาพระ ปรากฏในสวนลิ้นจีนี่ก็ได้มันจะได้แล้วนี่พระกูก็ยังไม่เข้มแข็งว่ะลิ้นจี่ก็แดงจุบจับจุบจับอยู่เนี่ยยิ่งพระอีสานด้วยไม่เคยเห็นลิ้นจีอมไม่เคยเห็นทางนี้เขาจะอาเจียนลิ้นจีแล้วทางเหนือนี่แต่พระอีสานลิ้นจีแล้วนี่หมันแดงๆแบบนี้เนาะเออแบบนี้แล้วนึกว่าดินจีดำมันไม่มีแล้วว่ะปรากฏที่ไหนน่ะลุงตาปักที่ ตัวลิ้นจิตโอ้ได้อยู่นะแข็งไม่จิตเนี่ยแต่โยมก็บอกหลวงตาถ้าพระท่าจนจะฉันก็นิมนต์นะหลวงตาผิดศีลนะจะไปทำไ น, น, นะกลางวันก็ไม่มีปัญหาอะไรพรากลางคื น, นเดินจุกมไปถึงสามทุ่มสี่ทุมเอาแ ล, ล้วที่นี่รูรูคำคำดวงหนักดีเนาะก็ปล่อยวางได้อยู่มันก็ไม่ยินเนาะแต่ว่ามันก็หนักดีอะ่นะกลางวันกแก่ดวง ก, <อ><อ>ก็ไม่สุกเท่าไหร่เนาะก็เป็นหนีเนาะข้างใน ตาเดินไปทำไรนะ่ะแกดูว่าเนื้อมันหนาไหมอืมมันใกล้แล้วนะน่ะว่าอืมไม่ผมก็ทิ้งไปละละอะไรประมาณนะึงนะวันหนึ่งเดินไปลวงตาเห็นอยู่พวงที่มันสุกมันหายไปสวนเขานะเนี่ยคิดในใจนะไปอาบน้ำในน้ำตกแกไปแล้วกันนะ่ะยืนเดินกินไปเรื่อยเรื่อยนะกาบเปลือกมันเป็นแถวไป พอลงตาเดินไปทําอะไรเนี่ยตกใจนะลงตาครับ อ, อลงตาก็ว่าเปลือกมันกินแล้วต้องเอาไปซ่อนไว้ไไเจ้าภาพเขาทจะมาเห็นต้องกินให้เป็นวะแกดีใจใ น, นั่นทีแรกแกนึกว่าลงตาจะสวดทำไมไต้องกินพอแล้แกกินแล้วใส่ถุงพลาติแล้วเอาซ่อนไว้ดินกลบบอกว้ายก็ยังชัวรหน่อย ค่อยยังชั่วนะมันยังไม่ดีนะว่ายังชั่วอยู่นะเนี่ยผมบอกนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงชีวิตเนี่ยขมโมยก็ยังได้สอนอีกนะเนื่ว่าแต่สอนแต่นิพพานสอนแต่ธรรมะขมโมยก็ต้องสอนทําไงได้มันจะได้รอดรอดไปด้วยกันนะถ้าเขามาจับปะก็หาว่าไม่สอนเหมือนเดิมนะต้องเอาใจใส่มันไม่เคยเห็นเนาะลินจีนั้นผ ล, ลไม้มันไม่ควรปลูกในสามนักปฏิบัติธรรมเขาไม่ไม่ควร แต่ก็ปลูกแต่บางที่บางแห่งเขาประดับประดาสวยงามก็จะติดไอ้ความสวยความงามอยู่นั่นแหละนะมันออกไม่ได้ดังเขาไม่ให้มันมีอารมณ์อะไรก็ตามที่สนองสัญชาติยานความสวยเขาเรียกว่าเลรฉานะดรฉานแปลว่าขวางอารมณ์แบบเดรฉานคือสัญชาติยานมันขวางกินติดกิ น, ก, นกามเกียรติเนี้ยเกียร ต, ติยศศักดิ์สิญนี่ไม่ใช่เดรฉานนะพวกสัตว์มนุษย์นะเ น, นี่ยนะกินกามึก การสื่พันกรรมอะไรเนี่ยเวลามาปรุงขึ้นมาปรุงมันจะขวางขวางไม่ให้รู้ตัวต่อเนื่องไงจิตมันไม่ต่อเนื่องที่จะรู้สึกตัวมันไม่ต่อมันขวางอยู่ะที่อยู่อย่างเงี้ยเก้เาพ่ออยู่พอนอนแต่ว่ามันจะปรุงแต่งเอารูเอาหลาเนี่ยนี่คือปัญหาบางคนไปปฏิบัติทําที่โน่นมีแอร์ไหมหลายคนน่ะโทรไปวัดมีแอร์ไหมไม่มีพอไปแล้วก็ไม่มีเอา้ารู้แต่ที่ว่าแอร์แปลว่าอากาศ ภาษาฝรั่งนะเอไอว่าอากาศแอร์ A, คอนดิชันเอ่ A, นั่นเออนี่มันนะมันยากนะห้องน้ำอยู่ในตัวไม่มีบิวอินไม่มีอะไรถามเขาถามว่ามาสร้างไว้หรือเปล่าที่มาถามเนี่ยนะถ้าได้บริจาคสร้างก็เออก็ยังชั่วหน่อยคือนักปฏิบัติทำยังไงก็ได้นั่นแหละหนะลายหลายคนนะเป็น กลายเป็นเพราะผู้รองผู้จัดการอาลีันซีพีเนี่ยให้ปฏิบัติทำเขาโทรไปโย่ทำงานอะไรเขาว่าตำแหน่งนะั้นตำแหน่งโอ้มันมีกุฏิสำหรับ VIP อพีเขาไปโอ้เขายัางชั่วหน่อยว่ออยวนรถตามไม่ต้องเอาสวยเอางามนะเขาไปมีมีมีของ VIP อพีปะ เขาก็ไปปฏิบัติธรรมถึงเวลาปฏิบัติธรรมก็ไปที่วัดก็ให้ไปอยู่กุฏิมุงญ้าตแล้วไม่มีมุงกันยุงให้ด้วยไม่มีอะไรเลยฝนตกก็รั่วเต็มไปหมดเลยได้ลุกขึ้นนั่งยองๆเงานั่งหลับแบบนี้นาเกียได้นั่งหลับแล้วบอกว่าฝนตกแดดออกก็ห้ามหนีอย่างนั้นนะห้ามออกจากกุฏิขึ้นนั่งหลับสับประมอย่างเงี้ยแล้วผ้ายางผ้าปูผ้าสติกเนะี่ยฝนตกมาเต็มไปหมดเลยน้ํำนะมันไม่ลงไปพื้นใส่แคร แต่คูตีคนอื่นก็เรียบร้อยนะดีมีมุ้งยงกันยงมีมุ้งหวงลวมอะไรแต่สำหรับแกนี่ใช่ว่าทำไมถึงถึงเป็นอันนี้ของ VIP พว่ะนะวไอพเ น, นี้ยพีไปว่าอว้วนนี่แหลนะคือคนไหนที่ร่ำรวยดีๆมีเงินมีทองเขาไปอยู่ในที่สมโสมอ่ ะ, อะดีปับหักดิบคนไหนที่อะไรอ่ะ ไม่ค่อยดีแต่ว่าสติเข้มแข็งเราจะให้อยู่ที่พักดีๆเพราะมันไม่หลับแล้วเขาก็อยู่แบบ er. น uh ั้น่ะหักดองโดยที่หักเดี๋ยวละภาวะเดี๋ยวดันเขากลัวผีต่างหากทีเนี่ยกลางคืนมาก็นอนไม่หลับกลัวแต่ความกลัวนี่เป็นเป็นทุกแบบหนึ่งก็พยายามพยายามให้เขาเขาอยู่อยู่ไปอยู่มาเขาก็ทําได้นะนะปัญหาคือเขาเยี่ยวยากอันหนึ่งเขาต้องสวนเวลาเยี่ยวมีปัญหาอยู่เรื่อยๆ ทีนี้ก็ให้เขาอยู่กุฏิที่ไม่มีห้องน้ําในกุฏิให้มันเดินไปเข้าห้องน้ำนู่นแล้วผีเยอะๆแหละทังร่รง น, นโพตัวไหนว้ายตายเขาบอกว่ายังไงมันก็ได้มาแล้วเขาอยู่ที่นอนหมอนม้งแกะเขถือไปเยอะนะนะโตโต้ผ้าอะไรแต่พอไปอยู่ฝืนไปฝืนมาก็ได้นะคือเขาก็ลดลงมาสิบแปดครั้งเขาลดเหลืออยู่หกครั้งห้าครั้งประมาณนะคืนหนึ่งนะเขาเยี่ยวบ่อยมาก เขามีกระโถนเยี่ยวสวนตัวเนาะเขาเรียกว่าอะไรคอมฟอร์ตคอมฟิร์ตอะไรเงนี้แต่เขาก็ฝึกก็ฝืนก็อยู่ได้แล้วเขาก็เข้าใจนะเข้าใจคือได้สติเนืรู้ว่าจิตที่มันว่างมันบริสุทธิ์มันเป็นยังไงแล้วเอาไปทำต่อเลยฉะนั้นสภาวะนี้มันจะขวางเราตลอดเวลาอสัญชาตยานเราเนี่ย ขวางมันอยากได้เป็นเงินนั้นคนถ้ามีเขาเรียกว่าเดรัจฉานนะภาวะเดรัจฉานที่มันอยู่ในจิตถ้ามันขวางอารมณ์อยู่มันไม่ไปนิพพานไม่ได้ถ้าออกจากเดรัจฉานไปล่ะขยับขึ้นมาคือริงได้เป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยสุขบ้างทุกบ้างสุขบ้างทุกบ้างมนุษย์นะแต่มนุษย์ี่จะติดลาบยศสารเสริญมแล้วนะมนุษย์น่ะไม่ได้ติดสัญชาติยานต่ําๆนะดูดิ ติของจอมปลอมซึ่งเป็นของไม่มีแต่มนุษย์นะ่ะไปติดสิ่งที่มันไม่มีปัจใจสีเนี่ยสัญชาติยันยังถือว่าเป็นสิ่งที่มันมีนะยังดีอยู่นะอันนี้มันไม่มีอ่ะมันหนักเข้าไปนู่นอนะ่ะของไม่มีลาบยศสารเสริญชื่อเสียงอย่างเงี้ยน่ากลัวมากสิ่งที่มนุษย์ติดเนี่ยเสื้อผ้าสวยๆของงามๆเนี่ยซึ่งสัตว์เดรัจฉานเขาไม่ได้เอาอ่ะเนี่ย แต่มนุษย์มันมีมันว่าเป็นวัฒนธรรมแต่มันก็ติดนะมันไปติดในสิ่งที่มันไม่มีนะงันจึงสุขสุขกับอะไรสุขที่มันปรุงขึ้นมามันได้อนี่มันก็สุกพอไม่ได้มันเสียไปมันก็ทุกข์จิตมันจะเป็นอย่างนี้สุขสุทุกข์ทุกข์อยู่กัอันเนี้ยนั้นพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นมนุษย์มนุษย์ไปว่าพวกมีใจสูงดูดิมันสูงไหมไอ้นี่ สูงกับสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยพัฒนาไปบางคนติดแต่สิ่งอะไรดีๆมีแต่ของดีๆติดอะไรทีอารมณ์ดีเสื้อผ้าที่อะเขาเรียกว่าเทวดานี่ติดเทวดาอะไรก็ได้ก็อยากได้ดีๆมียี่ห้อมีแบรนด์เนมมีเนี่ยผู้เทวดาติดแต่อารมณ์พวกเนี่ยปฏิบัติทําแล้วยังไงก็ได้เสื้อผ้ายังไงก็ได้เครื่องนุ่งห่มยังไงก็ได้อย่างพระนี่เขาว่า ผ้าเนี่ยได้มาใหม่ๆเขาเอาทูบต้องจุดทูบแล้วแด็กก็ไปให้มันทะลุผ้าเนี่ยลูตาเอมีอยู่สี่รูน้าผ้าตัวนี้รูนึงคื อ, ขอเขาให้ทำให้มันทะลุให้มันเสียเสียสภาพที่มันดี น, ะน่ะบางทีก็เอามีดปาดออกแล้วเขาเย็บเพิ่มเมาใหม่นะคือไม่ให้มันสวยมันงามอ่ะหเห็นไหมต้องทําให้เสียสี ไม่ใช่มาติดผ้าติดความสวยความงามติดรูปติดลักษณ์นั้นเขาจึงให้ไปเอาผ้าในป่าช้าไงเอามาเย็บประติดประต่อเขาเรียกว่าผ้าปังสุกุลผ้าปังสุกเพราะว่าแก้ความสวยความงามเนี่ยมันติดเนะ่ยติดสวยติดงามเขไม่ให้เอาแต่ญาติโยมก็ส่วนมากก็จะถวายงลงตาอะไาเลยนะ้ยมีผ้าไหมไม่มีโนมินี่ก็จะถวายผ้าไหมสวิตผ้าอเลยว่าใช้ไม่ได้หรอโยมเอ้ยมันสวยมันงามอายโยม พรชีวิตที่ขอข้าวขอกินอยู่กับแต่งตัวโก้มันกับอะไรอยู่นะนะมันไม่มีอะไรเราก็ต้องไม่มีไม่ให้มันมีบางคนติดนะ่ะเป็นเทวดามาปฏิบัติธรรมชอบอยู่ในอากาศดีอาหารดีอารมณ์ดีอาคมดีอุทกังออกกําลังเลยรพวกนี้ยน้ำดีอาหารดีอากาศดีอารมณ์นี่คือเหมือนเทวดานะ่ะไปในมันไอชอบคนยกย่องสรรเสริญนะคนเอาอกเอาใจมีคนใช้ หลวงตาเคยเล่าให้ฟังม <c oughs> ียมผู้หนึ่งไปปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นคุณนายเอาคนใช้ไปด้วยซักผ้าก็คนใช้มาซักให้จะไปเข้าห้องน้ําก็คนใช้พาไปแกกลัวผีด้วยทําอะไรนไี่มีแต่คนใช้ตักข้าวก็คนใช้ไปตักไม้แกจะเจริอนสติอย่างเดียว <c oughs> แตกว่าอ้างมันไม่ต่อเนื่องหลวงตาบอกโอ้ยตั้งใจแต่โ ย, ยมเอ้ยช่วยเหลือตัวเองเลยอย่าไปใช้เขาคนใช้นี่ปฏิบัติธรรมดีกว่า <c oughs> พูดยังไงก็ไม่เชื่อไม่ฟังอ่ะ จะไปบ้านประมาณสักเดือนสองเดือ น, อนตาบอดเลยบอดทั้งสองข้างเลยนะตาบอดสองั้างแล้วให้หลวงตาไปเยี่ยมหลวงตาวัดหลวงตาขี้เกียจไปแต่อีนางคนช้เนะี่ยดีจิตใจดีมันปฏิบัติธรรมขยันนะทําให้คุณนายทุกอย่างแต่นั้นขณะเดียวมันก็ตั้งใจปฏิบัติ เอาไปมาแล้วก็ได้อารมณ์แต่คุณนายเนี่ยไม่ดีอยู่ๆก็ตาก็เสื่อมลงเส่อมแล้วก็บอดเดี๋ยวนี้ก็คือได้จูงไปไปไหนก็จูงไปไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายนะจะบาปหรือเปล่าไม่รู้นะคือพูดอะไรมันไม่ยอมฟังพูดอะไรมันเหมือนไม่มีตาไม่ไม่เห็นเนี่ยพระกรรมฐานบอกมันก็ไม่ยอมไม่เหมือนไม่มีหูไม่มีตาไม่รับรู้อะไร กูจะทำลูกเดียวเรื่องของกูมันอันนั้นจะยากมันจะบาปจะกรรมมั น, นอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยบอกหลายรอบอย่าหลับตาสร้างจังหวะนี่มันก็เรื่องของกูลุงตาจะเป่าเสียให้มันบอดไปเลยดีไหมนี่ต้องลืมตาขึ้นบ้างแล้วไปนั่งปฏิบัติธรรมก็จะพูดจะคุยกันตั้งอกตั้งใจทํา ลองฝืนดูดิติดสะดวกสบายดูดินะไปไหนมาไหนสะดวกสบายมีรถมีลามีโน่นมีนี่มั้งญาติโยมหลวาก็ดีใจนะญาติโยมรวยนะ่ะดีใจจะอย่าไปติดมันปล่อยวางมันบ้างอย่าไปสนใจจิตมันจะไปแวบไปอย่าไปคิด อ, อย่าไปติดทาใจให้ดีๆว่างๆอยู่กับปัจจุบันธรรมรู้เฉยเสื้อผ้ามีเครื่องมีอาหารมี ปรุงแต่งมีถึงเวลากินก็เกีนก็ไม่เป็นไรนะแต่ใจอย่าไปผูกพันใครว่าอะไรอย่าไปถือโทษโกรธเคืองเขาปล่อยวางกลับมาอยู่ปัจจุบันทําหน้าที่ไปหน้าที่ตามสมมุติก็ทําไปหน้าที่โดยสัจจะคือเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยที่จะต้องเอาความโลภกดโลภเอาใจใจก็ทําไปเอาออกจนทั้งว่าบริสุทธิ์สะอาดไม่ต้องกลับเกิดอีกไม่ว่าจะอยู่เป็นภพภูมิไหนเนียจิตมันจะไม่เข้าไป ถ้าพัฒนาขึ้นมาน้อยบางคนทีนี้ไปปฏิบัติทำติดสมาธิไม่ติดดีอะแต่ติดสมาธิติดนิ่งดิ่งอันนี้เขาเรียกว่าพบภูมิขอความเป็นพรหมติดพรหมแล้วเนี่ยพรหมพรหมลูกฟักขึ้นมานิ่งติดสมาธิติดแต่สมาธิวันหนึ่งก็ติดสมาธิเขาตอนเย็นบอกติดสมาธิชอบอยู่ในสมาธิโอเนี่ยแต่ยังไม่เป็นอริยะเนี่ยนั้นเทวดาระดับพัฒนาเทวดาติดดีนะ พรมนื้อติดสมาธิอริยะก็คือหลุดพ้นแบบหลุดพ้นจากความเป็นพรมไปสู่การรู้แจ้งเพราะพุทธเจ้าว่าพวกที่เป็นพรมนา น, า น, านเนี่ยปฏิบัติธรรมนะถ้าติดสมาธินานๆไม่สามารถที่จะสู่การรู้แจ้งเนะพราะประทัมนี่มันก็จะแวบเข้าไปในสมาธิแวบไปสมาธินะจิตสิบปดประเภทที่ไม่สามารถเข้าถึงมรรคผลได้อันหนึ่งก็คือจิตที่มันเป็นอปปนาจิตที่มันติดสมาธิมากๆ ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้นอกจากติดง่งวงเพราะเราไม่ได้ติดสามาธิเราติดง่วงพวกเรานะ่ะคนะอ่นกันนะสามาธิกับง่วงไม่เหมือนกันบางทีบางคนทํำไมง่วงจังสงสัยสามาธิจะเยอะนสามาธิหายเยอะหาอะไรหลับเอาหลับเอาสามาธิเนี่ยมันดับความง่วงก็นใช่ไหมมันดับความง่วงได้แต่มันเป็นสามาธิอยู่ต่างหากแบบเป็นฌานพวกเนี้ย ลือีทั้งหลายทั้งปวงไม่สามารถมาปฏิบัติธรรมพุทธิจาได้เพร อ, อะไรเพราะมันติดในสมาธิไงมันออกไม่ได้มันติดพอทำเพิ่มพวกแวบเข้าไปมันทําแวบเข้าไปอยู่เรื่อยๆทีนี้ต้องออกมาทีนี้ฉะนั้นเขาพอมีสมาธิระดับหนึ่งปฏิบัติธรรมเขาให้แค่ขณิกะสมาธิอุปจารแค่สมาธิที่เห็นความคิดที่ก็พอแล้ะเห็นว่ามันคิดรู้ปล่อยวางนะครับมาเลอะลือรู้ไม่เนี่ยฉั้นเขาท่าบอกว่าให้เจริญสติสาเขาไม่เรียกว่าทําสมาธิอันเนี่ย พราะสติมีมากขึ้นมาขึ้นมันถึงทำลายสมาธิทำลายตัวปรุงแต่งทำลายความคิดความปรุงแต่งออกไปแล้วมันจึงเป็นสมาธิแต่สมาธิแบบรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ใช่สมาธิแบบนิ่งคนละแบบกันสมาธิแบบนั้นแบบพลามมันสมาธิแบบพุทคนละแบบที่นั่งหลับตาเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันผลมันน่ะคุณทำถูกก็ถูกนะทำผิดก็ผิดนะและสมาธิที่มันเพี้ยนไปัจู่บรินี้ก็คือสมาธิแบบแบบนิ่งแบบนี้แหละเวลากดจิตสะกดจิตเองก็ตัวแข็งทื่อไปเลยบางทีนี่ มันที่ก็เห็นนั่นเห น, นี่เป็นภาพขึ้นมาอย่างนั้นแล้ก็ตกใจแล้วก็ผิดเพี้ยนไปเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่การเจริญสติแบบรพริพญาติที่ท่านสอนว่าเริ่มแบบนี้ได้มันจะถูกต้องเป็นสัมมาสติเป็นสัมมาสมาธิสัมมาวิมุตติอันนี้แต่แล้วมันเป็ น, ปนมิจฉาสติพอมิจฉาสติไปเลยทีนี้เพี้ยนไปหมดเลยทั้งกระบวนการทั้นสอนถูกก็ถูกถ้าสอนผิดเนี่ยหลายหลายคนนะสอนญาติสอนโยมหรือพาคนปฏิบัติธรรมทําให้เขาติดสมาธิก็คือทําลายเขาในตัวนั่นแหละ หรือเวลาเขาทําสมาธิมันผิดเพี้ยนไปเกิดนิมิดเกิดสิมันเพี้ยนไปเนะี่ยแล้วไปยึดติดนั้นแล้วก็เสียคนไปก็คือทําลายความเป็นคนของเขาเนเองกว่าเขาจะได้มาไม่ใช่ง่ายจะเลิญเติบโตมาเป็นผู้เป็นคนได้มาปฏิบัติธรรมเขาเป็นบุญเป็นกุศลแล้วพอมาพาเขาหลงทางซะลูกหลานเขาก็ไม่อยากให้ไปปฏิบัติธรรมเพราะเขาไม่มั่นใจว่าเขาจะเสียคนกลับมานะกลับมาแล้วเพี้ยนไปเลยผิดผู้ผิดคนเลย อันนี้ก็น่ากลัวนะเดี๋ยวนี้หลายๆอย่างเวลาไปเข้าโรงพยาบาลไปหาหมอหมอนี่ไปทําสมาธิมาใช่ไหมหมอจิตแพทย์เขาพูดแต่เทียโอ้อย่าทํานะมันเป็นอย่างนี้น่ยเนี่ยต้องกินยามันเบล์งนน่ายบงทีคือมันผิดนะสมาธิไปกดเกงเพ่มันจะเกิดกับคนที่เอาจริงเอาจังเนี่ยแต่เอาจริงเอาจังกับทางไม่ถูกอ่ะมันไม่ถูกทางมันจะเสีย แต่ถ้าจริงจังกับสิ่งที่มันถูกทางอย่างจริงจังกับการเลลึกรู้กันปล่อยวางเนี่ยมันไม่เสียเนี่มันปกติเด็กนักเรียนตามโรงเรียนตามโน่นตามนี่เวลารรมอทำแล้วมันติดแล้วสมาธิมันออกไม่ได้เลยบางทีเพราะอะเพราะมันไหลไปสู่อันนี้แหละสมาธิแบบเป็นพรมเนี่ยสมาธิแบบพราหมณ์แบบฤือสีเนี่ยเป็นแบบสมถะเนี่ยมันปัญหานะไม่ใช่ไม่มีปัญหานะไม่ใช่ว่านั่งพอแป๊บแล้ได้ทันทีนะธรรมะเนี่ย เหมือนดันทอย่เนงะี้ยถ้าทําเราเล่นเล่นไม่เป็นไรแต่ถ้าทําจริงเนี่ยถ้าไม่มีครูบาอาจารย์มีกัลยาณมิตรอันตรายถ้าถูกทางก็ดีไปถ้าผิดทางก็แย่ต้องพาไปหาหมอไปรักษาที่โน้นที่นี่ไปเรื่อยเรื่อ ย, อ ย, อยทั้งปีทั้งชาติบางทีหยุดไม่ได้อนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราทั้งหลายเนี่ยต้องทําดีไว้ให้ลูกทําถูกไว้ให้หลาน คือเราต้องไปหาเรียนรู้ต้องเข้าใจก่อนก่อนที่จะสอนคนอื่นหรือแนะนําคนอื่นหรือลูกหลานเราไปปฏิบัติธรรมาอย่างน้นนอยเราก็รู้รู้ว่ามันทําถูกหรือทําไม่ถูกดูออกนะแล้วอธิบายได้พอมันพูดอย่าง น, นี้สังสะา ม, มาที่แบบอะไรที่เขาเป็นเนี่ยมันเป็นปัญหาอยู่แล้วก็บอกโอ้อันนี้มันไม่ถูกนะทําแล้วมันจะเกิดปัญหานี่มันเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นนะ น, นี้มันไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันเข้าไปในอารมณ์นะแล้วก็ต้องดูก็ออกสอนเขาได้เข้าใจอ่ะ มาแชกันเอ้ามันไม่มีเหรอเอาเอาตํารามาอ้างให้ดูก็ได้ตํำราก็บอกอย่างเราเพิ่ปฏิบัติธรรมมันมีตำรามีโน่นมีนี่การปฏิบัติธรรมเราก็รู้ที่สําคัญคือเราเองเข้าใจอารมณ์เราเองแล้วก็บอกเขาได้เพราะว่าคนมันเหมือนกันน่ะโลภกุหลงเหมือนกันเฉยเหมือนกันไม่เฉยเหมือนกันเหมือนฉะานถ้าออกจากความเป็นพรมได้นะถ้าหลุดอันนั้นได้จึงจะเข้าถึงสัจธรรมฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านทิ้งเลยนะอาจารย์สองคนสามคน ที่ปฏิบัติทำที่แรกเฮ้ยปฏิบัติทำรูแ้แจ้งแล้วน่าจะไปหาอาจารย์สองคนนี้นะเขาจะรู้ทำไว้เพราะสมาธิเขาดีแต่พอเนื่องได้ไปแล้วทิฏฐิมานะกับทางนั้นพวกนี้มันไม่ยอมไข่นะพวกทําสมาธิเนี่ยอสองพอมันติดสมาธิมันมีชื่อเสียงมีโ น, นมินี่คนสนใจแล้วก็ติดในอารมณ์มันก็ไม่ยอมปฏิบัติตามนะไม่เลือกลักจากจากอติเลขกขลาบจากรสชาติของสมาธิอันนี้ เขาบอกพุทธิยานุให้ถือว่าตายไปซะสองคนเนี้ตายจากมรรคผลนิพพานไปแล้วไม่สามารถที่จะเห็นธรรมรู้ธรรอันลึกซึ้งได้เอา้าไปหาปัญจวคีรีดีกว่าพวกนั้นยังทำเล่นเล่นหัวหัวอยู่ทำบ้างไม่ทำบ้างถูกบ้างผิดบ้างไอ้พวกนี้สามารถใช้ง่ายปฏิบัติได้นั้นโยมทั้งหลายไปเห็นพระที่โนวลที่นี่นั่งสมาธิเนนี่อย่าไปคิดนะว่ามันเป็นพุทธนะบางทีเนะี่ยเป็นพราหมณ์ก็มีนะส่วนมากจะเป็นแบบนั้นแหละทั้งนั้น บางทีกนั่งสมาธินิง่งอยู่ตามวัดตามป่าตามเขาแล้วเขาจะแขวนละคังไว้โยมขึ้นมาถ้าอยากได้บุญอย่าลืมตีละคังบางทีถ้าก็นอนนะมัง่วงหลับพอเราขึ้นไปจะไปถึงพระหลวงพ่อเราก็เคาะละคังแป้งแป้ ง, ปงทันก็ลุกพอแป๊บก็นั่งสมาธิเนี่ยแล้วว้าวหลวงพ่อเข่งจังเนาะพึ่งเข่งพึ่งเข่งตอนตีละคังนี่แหละเขาจะลาดเนี่ยกะไรดีอะ แต่โยมตีเลยครั้งรู้สึกสบายใจอเนะือเ น, นี้ยแต่พระท่านกันนะวางสนุกไว้สองต่ อ, อแทงมาดิป้องมันไม่กระเด็นลงมาถึงหรอกรู้จักนั้นรู้นะฮะยังไงยังไงเนี่ยเราต้องเข้าใจแต่ถ้าเราหลุดได้ปล่อยวางเกิดการรู้แจ้งเนี่ยเราก็เป็นพระเป็นพร ะ, พระอริยะคือใกล้จากกิเลสใกล้จากกิเลสใกล้จากความคิดความปรุงแต่งนี่แหละไกลปล่อยวางได้นี่มนพระเรานะนี่มน ไปบินบาทเลยไหมไปไกลไหมถ้าไปบินบาทเลยก็อย่เยพิ่งฉันนะถ้ามันเหลือพวกผมก็ได้ฉันนะก็คือโลงตาให้โยมเขาตักให้ก็ได้เอาไว้กลับมาจากนะโยมพันตักใส่ถ้วยไว้ที่โต๊ะให้หน่อยเท่าที่กับพระนี่แหละจะให้พระไปบินบาทเลยวันนี้ เรากลับมาแล้วค่อยฉันนะให้เรามีนะเดี๋ยวนี้เราปฏิบัติทำเพื่อเป็นอริยะอริยะอริแปลว่าความคิดความปรุงแต่งเนี่ยนะยะแปลว่าห่างแปลว่าพ้นพ้นจากความคิดพ้นจากความห่วงความเงาความปรุงแต่งนี่นะหนนะนนหแหลนะอันนี้แหละคืออริยะโยมจากทุกข์และเนี่ยก็แค่นั้นเองอย่าให้มันไปจมอยู่กับภพภูมิต่างๆที่กล่าวมาอันนี้เป็นนั้นขัน ใจเนี่ยเป็นก็จะไปเสวยนานแต่ถ้าติดสมาธิเนี่ยเขาว่าอยู่เป็นหมื่นปีนะแล้วเป็นพรมลูกฟักบางคนหนักแน่นโดยทั้งว่ามีแต่รูปนิ่งเฉยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีเลยไม่รับรู้อะไรเลยบางทีเนี่ยพวกนี้จมอยู่นานนั้นเป็นหมื่นหมื่นปีก็ไม่รู้สึกตัวเทนี้เราจะให้มันรู้สึกตัวอันนี้ อย่าให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวอยู่แต่ไม่ปรุงไม่แต่งเจ็บก็รู้ว่าเจ็บแต่ไม่ยึดไม่ยึดปล่อยวางได้คือทุกอย่างมีรูปเวทนาสัญญาสขานวิญญาณมีเขาว่าอย่าไปยึดในขันห้าแต่ไม่ได้ใช่ทําลายขันห้านะอเนี่ยไม่ได้ทําลายไม่ใช่ไม่มีเผ็ดไม่มีเค็มไม่มีหวานไม่ไม่ใช่มันปกติเนี่ยแหละลิ้นมันรับรสไปนธรรมชาติรู้ธรรมชาติแต่ไม่ยึดติด เขาไม่ได้ให้ทำลายขันห้าแต่เขาว่าไม่ให้มีอุปาทานในขันห้าไม่มีอุปาทานในขันห้านะ่ะอุปาทิเศ ส, สนิพานธาตุก็คือไม่มีอุปาทานในขันห้าขันห้ามีรูปเราก็มีเวทนาก็มีสัญญาสังขารวิญญาณการรับรู้กันและมีโหมดเจ็บปวดเมื่อยพระพุทธเจ้านี่เจวทัศกิ่งหินลงมาทับก็เจ็บอุ้ยเหมือนกันแล้วพระพุทธเจ้าเจ็บรักษาหมอชีวกรักษาเยียวยา แต่ท่านไม่ยึดไม่โกรธเขาไม่เกียดความโกรธเกลียดไม่เกิดเนี่ยโลภโกรธหลงมันไม่เกิดแต่เจ็บไม่เจ็บโลภโกรธหลงกับเจ็บปวดไ ม, ไม่เหมือนกันหรอิวไหมพุทธเจ้าก็หิวพระพุทธเจ้าตายเพราะอะไรือคนจําพูนเนี่ยพุทธเจ้าตายเพราะอะไรเป็นอะไรตายพุทธเจ้าน่ะือครูพวกครูเนี่ยมันไม่รู้เนี่ยพุทธเจ้านะ่ยเบื่อเหตุตาย ใช่ไหมวุ้อทําไมพวกพุทธเจ้ากระจอกปานนั้นวะน่อีอนะไรเนี่อีนางหนึ่งตัวไดน้อยนะมันอยู่พอสี่ปอครับหลวงตาเล่าเรื่องพุทธเจ้าตายเพราะเบื่อเห็ดป้าพุทธเจ้าไม่มียานรู้เลยว่าเหตุพิษนะมันว่านะในพุทธเจ้าเป็นผู้มีตาดีบมันว่า <c oughs> เห็ดพิษก็ไม่รู้แสดงว่าพุทธเจ้าก็เหมือนคนเรานี่ดิมันว่านะ เราาบว่าเหมือนคนเรานี่แหละพระพุทธเจ้าก็เหมือนคนเราเนี่ยนะแต่ท่านที่วิเศษที่สุดคือท่านไม่โลภไม่โกรธไม่หลงตาทิพของท่านคือส่องดูจิตมันโลภโกรธหลงยังไงเกิดขึ้นในตาทิพเกืออ น, นั้นแต่ไม่ใช่ตาทิพเห็นน้นเห็นนี่มองไปใต้น้ำใต้ทะเลมีบอ่อน้ํามันยไม่ใช่ใช่ไหมพระพุทธเจ้าเบื่อเหตุยตายใช่ไหม รู้จักเห็ดแล้วโงกไหมทางเหนือมันเรียกเห็ดอะไรไม่รู้นะเบื่อเห็ดเนี่ยไปพาพระไปในสวนสวนไปเนี่ยเดินมาเมื่อสวนเขาพาพระไปพักพระทั้งห้าร้อยองในจุนทาโอ้ยดีใจผมปลูกมะม่วงสวนมะม่วงนี่ขอนมนมลพักปรากฏในสวนมะม่วงนี่นะพรุ่งนี้จะถวายอาหารเนี่ยพระพุทธว่าอาตมาสุขภาพไม่ค่อยดีนะอาหารหนักๆอะไรก็ไม่ไหว โอ้ยพอดีเลยเดี๋ยวพวกนี้ผมเก็บเห็ดได้อะ่ะมันมีเห็ดอยู่สักกระป๋อกหนึ่งเนี่ยได้มาคงไม่มีเยอะเท่าไหร่แกงให้ถวายเฉพาะพระพุทธเจ้านี่แหละเปิ้ว่ามันก็มีเห็ดพิษแน่นั่นเทียร์กไม่ได้ตั้งใจหรอกแกงมาถวายพระพุทธเจ้าฉันแค่ฉันธรรมดานี่แหละไม่ได้ฉันความอะไรอะแต่พระพุทธเจ้าก็อย่างว่าเห็ดพิษเนาะไม่เข้าใครออกใคร เกิดอาเจียนอกอากอกอกท้องยิ่งมันไปนเป็นตอนอายุเท่าไหร่นะแปดสิบเนี่ยอันตรายนะญาติโยมใครมีพ่อมีแม่ตอนอายุแปดสิบต้องเลี้ยงดูดูดีดๆอาหารการกินถ้านั้นตายง่ายถ้าอาเจียนหรือล้มอย่างเงี้ยแย่ yeah. ส่วนมากจะล้มในห้องน้ำในนีหนหนหน้หลวงตาก็ตั้งใจแล้วละ่ะว่าจะไม่ให้มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นกับชีวิต คือจะตายก่อนที่ถึงแปดสิบลวงาจะได้ประมาณสักห้าสิบเนี่ยพอละชีวิตเนี่ยไม่เอานานหรอกห้าสิบนี่ก็ถือว่าทำงานให้กับโลกมากพอสมควร ล, ละนะเดือนนี้ก็ยี่สิบเก้ายากพอสมควรอะพอพระพุทธเจ้าเป็นโลก อาเจียนเป็นโลกอันนี้ยปักขันที่กาพาดเขเรยียง น, นพะพระทั้งหลายทั้งพวงจะลุมกระทืบเจ้าของสวนนะพระที่ยังไม่ได้บรรลุมึงมึงมอมพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยมึงเอาอะไรให้พระพุทธเจ้ากินอย่างนี้มันไม่เขาก็ศรัทธานะาผมไม่ได้ทําอะไรนะผมไม่ได้ทําอะไรพระที่ยังไม่บรรลุทํามันก็โกรธเป็นโกรธเป็นไม่เถอว่าเออไม่ใช่มีเฉพระละหันนะตามพระุทธเจ้าคนไม่บรรลุ ก, ก็มีนะแล้วคนรักก็มีนะเหมือนเรารักลูกห ล, ลานแหละถ้ามันกินได้แล้วงั้นพระพุทธเจ้า ย่าย่าอย่าไปว่าอะไรเขาอย่าไปว่าอะไรเขาพาหนวพระพุทธเจ้าข้าแต่องค์จะเริ่มพระสงฆ์โกรธแค้นนะจุนทะ่นะจุนทนะ่าน่ะเที่ยวเหตุอย่าไปว่าเขาทานที่มีผลนายจุนท่าก็เสียใจน่ะร้องไห้เลยจะขอเขา้าพระพุทธเจ า, าไม่ได้ทําอย่ามาสารภาพตถาคตทราบแล้วพระพุทธเว่าตถาคตรู้แหละเขาไม่ได้มีเจตนาะแต่องค์อื่นก็กินอย่างอื่นนั่นแหละ อาจจะซุปหางงัวหรืออะไรเป็นนแกงหน่อไม้หน่ออะไบอกเขาหน่อยทานที่มีผลมากที่สุดในบรรดาการให้ทานเนยนึ่งการถวายทานในวันที่พระเจ้าตัดสรูอาหารที่ถวายก่อนตัดสรูแล้วทำให้ท่านตัดสรูเนี่ยนั่นแหละมีผลมากใครถวายอืม ยับอกว่านางวิสาขานางอะไรนะนี่นางสุชดานางสุชาดาบ้านเขาอยู่แถวลำพูนนี่แหละนางสุชาดาสุชาดาแปลว่าเกิดดีอะเกิดดีอารมณ์ดีนางสุชาดาท ว, วายแล้วอาหารมื้อที่สอง The Last supper สุดท้ายมีผลมากคือวันที่ตถาคตฉันแล้วตายที่มีผลมันมีผลเท่ากันนะนายจุนท่าผมไม่ต้งมาพูดหรอกอยังไงผมก็รับไม่ได้เขารับไม่ได้อย่ามายกยออย่ามาว่าเขาหายทำให้พระพุทธเจ้าตายเนี่ยเขาคิดมากเพราะเขาไม่ได้รู้แจ้งไงอันปล่อยวางไม่ได้โอ้ยเราไม่ต้องเสียใจเธอได้บุญมากละละประมาณนะั้น โอ้ยผมก็ไม่อยากได้ละบุญแบบนี้มันทําให้พุทธเจ้าตายนะนคิดนะบางคนบอโอ้ยพระพุทธเจ้ญญาท่านก็นตายละเพราะว่าท่านพูดก่อนแล้วว่าหลังจากนี้ไปสามเดือนท่านจะไปริขิติพานเนี่ยพอมาถึงตอนนั้นท่านจะปลิขิติพานอาเจียนเขาต้องโสมไปนะขาบน้ำข้ามอะไรไปหอบพิวปีกไปแต่ถ้าปัจจุบันคนนั่งรถเห็นหรือกดรีโมทไปก็ออยังช่วยหน่อยแต่นี่มนไม่ได้สมัยโน้นสมัยโ น, น้นนะ วิทยาการไม่ค่อยดีแต่แปดสิบปีนี่ถือว่ามากไหมมากกับการเดินไปเทศอดที่นั่นเดินไปเทศอดที่นี่นะไม่มีปรากฏว่าขึ้นเกวียนนะพระพุทธเจ้าเดินไปเนะ่ยแปดสิบปีทํางานอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมากถือว่าได้อายุเยอะเนี่ยพระราชาบางรูปบางคนยังไม่ถึงเลยอะ่ะแต่พระเจ้าถึงเพราะว่าท่านมีอิทธิบาทศีลในการรักษาสังขารขันเพียนพยายามทําดีนะแล้วก็มีหมอดีคอยดูแลหมอ ชีวกตท่านทั้งหลายคงจะได้อายุกันเยอะแต่ถามว่าเป็นประโยชน์กับคนแม้ชีวิตเนี่ยแม้แต่ในครอบครัวก็ยังไม่เป็นประโยชน์เลยเทะเลาะบ่อแว่งทุ่มเถียงกันทุกวันกับลูกกับเต้ากับสามีกับภรรยาเนี่ยอย่าว่าจะเป็นประโยชน์กับมนุษย์ทั้งโลกเลยพระพุทธเจ้านะอายุ80สปีเป็นประโยชน์กับมนุษย์กับโลกทั้งโลกของเราเองชีวิตในแม้จะให้เป็นประโยชน์กับตัวเองก็ยังไม่ค่อยเป็นอย่าว่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นเลย เราจังไม่พอใจตัวเองเลยเกิดมาชาติเนี่ยนั่นฝึกเถอะฝนเถอะอบรมเถอะจิตใจเนี่ยพัฒนามันเธยนะชีวิตที่เหลือเนี่ยจะไปสนใจอยู่กับอามิ t h หลายพอแล้วละไอเรื่องโรคๆนะหันเข้าหาทำรร ม, มัธย์ทำก็คือหาสัจจะทำในตัวเองให้เห็นเถอะธรรมชาติอันนี้ยให้มันหลุดพ้นก่อนที่จิตจะหลุดจากล่างเนี่ยให้มันเข้าถึงสัจจะสภาวะอันนี้ยให้มันแจ่มแจ้งซะ ตั้งอกตั้งใจธรรมานี่กับมาก็เป็นมาเป็นหมู่เป็นมิตรนะฮะเป็นมาเป็นครูบาอาจารย์ใครหรอกมาช่วยกันนี่แหละเน้นะํามาเป็นตัวอย่างนะมาช่วยกันบอกกันเนะนําเพื่อเพื่อคนมีบุญมีบุญคือคนไหนขยันมันก็ได้เลยเนะนะาะบางคนว่าโอ้ยผมมีบุญคงได้ไปหรอกไม่ต้องมีบุญหรอกมีเงินขับรถก็ได้ไปแล้วมีขับรถก็ได้มาแล้วนะถ้าตั้งใจปฏิบัติมันก็เห็นธรรมะอันนี้ ถ้าไม่ตั้งใจก็ไม่เห็นจมอยู่เน่ยกับกิเลสอยู่นั่นแหละฝึกนะโยมนะฝืนนะตั้งตั้งใจตื่นดึกลุกเช้าขยันทําวันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้ปฏิบัติา ก, กี่วันแล้วหือโอ้ยได้สี่แล้วนะกูรอดมาสี่วันแล้วนะกูไม่ธรรมดานะงานเนี่ยลหลายๆคนนะไปวัดโสมนัสพอเขาไปผ่านนั้นเขาว่าที่ไหนกรรมฐานในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่กลัวสักที่อ่ะถ้าฝึกเลย ผ่านได้มันไม่กลัวมันสู้ได้คือคือสู้กับอารมณ์สู้งุยสู้กับความง่วงสู้เปเลยเนะี่ยไปอยู่ที่ไหนเขาก็าให้สอนสู้กับอันนี้แหละไม่เกินนี่หรอกแต่ส่วนมากเขาจะเอ้าให้นอนก่อนปฏิบัติซากินข้าวเที่ยงแล้วก็ไปนอนสองชั่วโมงบ่ายโมงกตีครั้งแม่งแม่งม่งมาูนาังฟังเทศแล้วก็นา้าปนะเนี่ยอยู่นั่นแนหะแต่นี้ไม่มีอันเนี่ยไม่มี แล้วไม่ให้คนบ้าบุญด้วยบางคนก็อยากทําบุญทําคือทําอย่างเลี้ยงอย่างเลี้ยงอย่างเลี้ยงแล้ไม่ให้มัน ม, มีนะถึงตอนเย็นมาเมื่อวานนี้ก็มีไอศคีมวอรนแป๊ดแป๊ดป๊ดป๊ ด, ป ด, ปดมานึกถึงอยู่หรอกเอาไอศคมหางนี่ไปแจกแกดโยมมากว่ะแต่กลัวมันไม่ต่อเนื่องตัวรู้นี่นะคิดได้ว่ามันไม่ต่อเนื่องนะว่ะเขาจะอัวถูกปฏิเสธนะดองตาไม่เอาหรอกมันไม่ต่อเนื่องมันเราจะขายหน้ากลับมาบ ว, ว่ะก็เลยโอ้ไม่เอาไม่เอาว่ะเลิกดีกว่าความคิดเป็นอกุศลอันนี้ว่ะ เลยบอกเขาว่าไปเถอยโยมเอ้ยไม่ต้องมาบีบเถ้านี้เราเขาไม่สนนักปฏิบัติธรรมตั้งนานหรเลื้จะเอา <c oughs> บางคนหุ้ยน่าจะลองดูสักหน่อยนะมีเอาลองไหรหล่อนแต่รแตรเร า, าคนมาเอามาสอบอารมณ์ดูดิวันงี้นะปฏิบัติมากได้หลายวันนี้อารมณ์มันดีหรือเปล่าดิมั น, มนยังติดรูปติดรถไหมมันมันก็ฉลาดเห็นไหมกิเลสมันยังมาหลอกพระกินตั้งหากลองลองฝึกฝืนนาโยม หลวงตายอยากให้เคร่งปฏิบัติธรรมแต่อย่าให้มันเครียด น, นี่เคร่งแต่ไม่ให้มันเครียดคอที่แล้วเดือนไหนเดือนธันวาฝึกพวกปกากใต้จากปัตตานีจากสงขายาลาใครก็ว่าใครก็ว่าไปปฏิบัติธรรมนี่ยากคือว่าพอมาปฏิบัติธรรมแล้วที่ไหนได้เนาะปฏิบัติธรรมที่วัดสมนัตเนี่ยโหดมันหาเขาไม่โหด อา้ามันไปจำมาจะไหนนี่เอาเห็นพระคันเทศท่านอะไรไม่เห็นเครียดไม่เห็นอะไรเลยปฏิบัติก็ดีมากนะถ้าไม่โหดนิกิเลสก็ไม่ตายที่บอกเนะขาพูดดีแต่เอาตั้งใจนะ